ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาวเรื่องบุญคือสละอริยะคือยอมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31มกราคม2529ที่พุทธสถานสัติสกขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ คนผู้เห็นทางรอดของชีวิตชีวิตเกิดมาถ้าเป็นคนลกโลกโล ก, ก็ยังหลงโล ก, กียสุขที่เป็นสุขบำบัดความอยากเป็นสุขเสพสมเป็นโล ก, กียรสผู้ที่ได้ศึกษา ปฏิบัติพิสูจน์เมื่อได้พบทางรอดที่รู้จักว่ารถโลกียะเป็นอย่างไรเด็บหัดฝึกละปลดปล่อยเห็นความจางคลายเห็นความสงบเห็นความไม่ต้องคอยบำบัดบำเรอความอยาก แม้ประมาณใดประมาณหนึ่งเกิดยานเกิดความรู้สัจธรรมที่เป็นความจริงแห่งความจริงเมื่อชัดเมื่อแน่ใจและรู้เท่าทันความเป็นอยู่ของชีวิตว่าความหลงของมนุษย์นั้น มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความเป็นท่าที่จะต้องคอยประเคนคอยหาบาเรอคอยหาส่งสวยให้แก่กิเลตันหาเมารู้ชัดและแน่ใจว่ากิเลตันหาเหล่านั้น มันมีสภาพแต่มันไม่ใช่ตัวตนของชีวิตอันประเสริฐและพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่ากิเลสตัณหานั้นอ่อนจางได้คลายได้และตายได้เมื่อผู้พบทางรอดแห่งชีวิตเช่นนี้ผู้นั้นเข้าสู่กระแสที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพาน ก็จะมุ่งมัน่นรู้เรียนรู้และพยายามที่จะลดกิเลสลดตัณหารู้อย่างฉลาดวันต่อวันคืนต่อคืนที่เรามีชีวิตอยู่จะทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสความฉลาด ที่รู้ว่าความหมนหมองยึดถือแม้แต่ถือสามนุษย์ด้วยกันคนนั้นเขาไม่ดีต่อเราคนนี้เขาไม่ดีต่อเราไม่ดีได้เชิงนั้นไม่ดีได้เชิงนี้เราก็จะไม่จับมาคิดใครไม่ดีก็ความไม่ดีของเขาเขาจะแกล้งเรา เขาจะกดข่มเราเราก็จะฝึกหัดให้ทนได้เพราะเราเคยทนต่อความโง่ของเราเองที่เราเคยเป็นทาสของราบยศสรนเสริญและโลกีสุขไม่ว่าจะเป็นทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ยาบต่ำขั้นอบายมุกก็ตามเราก็เคยโง่เคยทนนักทนหนาอุตสาหะนักหนา มามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเมื่อเข้าใจดีว่าเราอยู่กับสังคมเพื่อนฝูงนั้นย่อมมีคนดีย่อมมีคนไม่ดีความไม่ดีไม่ใช่ของเราแต่เราเองต่างหากเราที่ไปยึดเอาความไม่ดีนั้นมาถือสาแล้วเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ ทุกทรมานความทุกนั้นคือความโง่ความถือสานั้นคือความโง่คนฉลาดจะเอาสิ่งที่เป็นแบบฝกขัดเป็นโจท์เช่นนั้นทำให้ตนเองแข็งแกร่งวางได้ปล่อยได้ไม่ถือสาได้เพราะเราไม่ใช่คนไม่ดีความไม่ดีไม่ใช่ของเราคนอื่นเขาทำ เราชนะอย่างนี้เรารู้เท่าทันอย่างนี้และเราปลดปล่อยวางได้เช่นนี้เราก็จะอยู่กับเพื่อนกับหมู่ฝูงได้อย่างดีอย่างเบิกบานร่าเริงคนโง่เท่านั้นจึงจะมีทุกข์เพราะไปะยึดเอาทุกข์ที่ไม่ใช่ของเราไปยึดกับความไม่ดีที่ไม่ใช่ของเรา มาถือมาแบกมาหามดังนั้นผู้นั้นจึงไม่สามารถที่จะอยู่กับหมูกับฝูงได้แม้ความทุกข์ที่ตนเองโง่นั้นก็ยังมองไม่ออกเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงจะรู้จักความทุกข์ที่ตนหาเหตุแห่งทุกข์ ให้กระจ่างวิจัยให้เห็นตัวจริงเสร็จแล้วก็ฝึกมีวิธีการฝึกที่ตนเองจะละจะปล่อยได้จริ ง, จ, รงจึงจะเป็นผู้ชนะชีวิตจึงจะเบิกบานแจ่มใสและจะพบทางรอดเป็นที่สุด คุยกันต่อเนะ่อเรื่องการศึกษาที่เราจะเพิ่มภูมิเพิ่มฐานะของเราเนี่เราต้องสร้างบุญเพิ่มจริงๆคำว่าบุญนี่ก็คือการชำระกิเลสในหลักบุญกิริยาวัตถุสิบ ทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่นะ่ะเป็นหลักเป็นบุญกิริยาวัตถุหลักซึ่งเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุสามเขาก็เรียกบุญกิริยาวัตถุสามก็เป็นหลักแหละบุญสร้างบุญก็สร้างสามอย่างนั่นแหละไม่ได้สร้างอื่นหรอกอให้มีการเสียสละให้ได้เลยว่าทานถ้าถึงขั้นปรมามัดก็เสียสละกิเลสนั่นแหละ เราเสียสละเงินทองออกไปบางคนเสียสละเป็นล้านนะแต่ไม่ได้เสียสละหรอกกิเลสเสียเป็นล้านเพื่อจะได้มายิ่งกว่าล้านเพื่อจะได้ลาบได้ยศได้สันเสริญหรือไปเสพโล ก, กิยสุขอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยจ่ายเงินไปเป็นล้านเพื่อซื้อวิมานเพื่อซื้อวิมานโดยเข้าใจว่าในภพนั้นมันมีวิมาน เสียไปล้านเนี่ยจะได้วิมานแก้ววิมานทองเขาหลอกกันอยู่เยอะไปจ่ายไปเป็นสิบล้านจะได้วิมานเพชรเลยแล้วก็จ่ายไปโอ้ยชื่นชมละเมอเพื่อพกม า, าวิมานชันตะกิเล่ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรดไม่เคยจ้างยิ่งจะไปโลภมาใหม่ๆเพราะจ่ายไปตั้งล้านจ่ายไปตั้งสิบล้านหมดกระเป๋าไปเบาเลย ได้วิมานในภพแต่ไปรีดจากคนอื่นมาหนักก็เกาเพราะาพรองไปซะเยอะโดนลวงกับลวงตับกินไส้ไว้โดนหลอกและยิ่งจัดจ้านนะเพราะว่ามันรู้จริงๆนะว่ากระเป๋าเราเบาไปมันจ่ายไปต้งเป็นล้านหลายล้านนี่รู้จริงๆว่ากระเป๋าเราเบาแต่ไม่เคยรู้เลยว่ากิเลสคืออะไระการเบียดเบียนคืออะไรเอาเปรียบเอารัดคืออะไรโลมโมโทสันคืออะไรไม่รู้เรื่อง แม้แต่อาคาตพยาบาทโทสะรุนแรงเบียดเบียนรีดนาทาเร่นเขาค่มคู่ทุกอย่างดีไม่ดีข่าแกงเลยเพื่อที่จะเอาเงินเพื่อคืนให้จ่ายไปตั้งล้านสิล้านแล้วนี่ต้องเอาคืนให้ได้ขนาดจ้างมือปืนคนไหนขวางทางผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปฆ่าแกงกันไปไม่เคยรู้จักโทสะโคตโลภะโคตรอะไรเลย นึกว่าตัวเองได้วิมานจ่ายไปนี่ทาทานไปตั้งล้าน10ล้านอะไรแล้วแต่อย่างนี้มีเยอะไปในสังคมในมนุษยชาติทานจะจ่ายวัตถุก็ต้องจ่ายจิตใจให้จิตใจจิตใจเป็นให้รู้ว่าให้นะเราไม่ได้เอาไปเพิบจะแรกให้จริงเท่าไหร่ยิ่งได้บุญเท่านั้นได้การชำระ จำรักกิเลสที่มันเหนียวมันหวงเป็นของตัวของตนเป็นแม้แต่เป็นบุญเป็นคุณเป็นคุณเราทํานี่เป็นคุณเป็นค่าของเราแล้วเราก็ยึดถือจดจําำเป็นของของเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่เราต่างนานาไปเลยถือดิบถือดีไว้เลยถือดิบถือดีเอาไว้ว่าเราได้ทําดีจริงคุณทําดี แต่ชั้นสูงขึ้นไปแล้วดีมันก็เป็นดีแล้วแล้วเราอย่าไปหลงดีว่าดีเป็นของตนถึงแม้ชั้นไม่สูงก็ให้วางใจปล่อยว่าเราให้เราให้เราให้ใหใหไม่ใช่เราจะเป็นแลกเปลี่ยนอะไรมาแลกหยาบตั้งแต่แลกอบายามุกมันก็เป็นของหยาบเรียกว่าโลกีสุขแบบอบายามุกแลกมาเดี๋ยวนี้เลยบางทีจ่ายไปจ่ายการพนันไปไม่รู้กี่ล้านนี่แลกความสุขอะไรเงี้ย หรือจ่ายไปในเรื่องเสี่ยงเสพติดอะไรก็ตามใจเถอะจ่ายไปแลกความสุขเงี้มันก็เป็นโลกียสุขจ่ายไปเพื่อแลกความสุขยิ่งจ่ายไปเพื่อแลกเอาสิ่งที่จะต้องได้กลับคืนมายิ่งกว่าแลกลาบลาบแลกลาบแลกยศบางคนจ่ายเงินอย่างจะเห็นได้คนที่หาสตังค์ได้มากๆด่ำรวยเป็นกระดุมพีมั่งคั่งแล้วนี่คิดมักจะจ่ายเงินไปเพื่อยศ เพื่อจะให้ได้มาซึ่งยศได้ยศได้ศักดิ์ขึ้นมาเพราะว่ามันมันมีเงินวิธีการหาเงินเก่งเสร็จแล้วก็เอาเงินไปจะทําอย่างไรจะให้ยศเคยมีอยู่สมัยหนึ่งเห็นไหมเขาเรียกในพลพุงโรพวกเศรษฐีพ่อรายจ่ายเงินไปแล้วก็กให้ตําแหน่งยศเป็นทหารเป็นทหารเสียศทหารเดี๋ยวนี้ล้มไปแล้วเพราะโดนเขาว่าเอา ว่าทหารนี่เรื่องอะไรไปเห็นแก่เงินแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพเป็นตาของทหารเป็นในพงในพันเนี่ยเป็นในพันขั้นพันตรีพันโทพันเอกอะไรใส่เข้าไปมีอยู่พักหไปซื้อยศซื้อชั้นซื้อตําแหน่งทั้งโลกบางคนไปซื้อเอาตําแหน่งด็อกเตอร์ซื้อกันซื้อตําแหน่งด็อกเตอร์หาเงินได้ก็ไปซื้อยศแบบนี้ หรือให้เงินไปเพื่อสรรเสริญเพื่อจะได้ซึ่งสรเสริญมาอุ่นใจอเปลมใ จ, อ, ใจอะไรต่ตนัานาพวกนี้เป็นโลกียสุขทั้งนั้นเน่เป็นโลกียะธรรมดาธรรมดาโลกธรรมธรรมดา น, นี่ไม่ได้ทานจร่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นทานไม่ใช่เป็นการให้ไม่ใช่ทานน้ำไมแม้ให้วัตถุอย่างใดก็จะต้องแลกกลับคืนมาจนถึงขั้นอารมณ์หรือพบชาติ แต่ความจริงนั้นเราไม่เอาถ้าผู้ใดรู้จักการสลัดปล่อยให้หรือว่าเสียสละไปจริงให้ทั้งวัตถุด้วยให้ทั้งแรงงานด้วยและไม่ให้มาเป็นตัวกิเลสให้อะไรไปแล้วก็ไม่มาให้เป็นตัวกิเลสนั่นล่ะคือการให้หรือกิเลสเรามีอยู่ก็ให้ฝืนให้ล้าง มันไม่ให้หัดให้วัตถุหัดให้แรงงานเมื่อให้วัตถุให้แรงงานแล้วเราก็จะต้องให้ใจไปด้วยใจที่มันมีกิเลสที่จึงไม่ได้ให้ใจหรอกทาใจในใจให้รู้จักกิเลสว่ากิเลสเป็นอาการที่มันยังยึดเอาคืนมันยังถือว่าเป็นของเรามันเป็นความดีที่จึงให้นะเป็นความดีไม่ใช่บ่ไม่ใช่ความดีความดีจริงๆ จะให้วัตถุจะให้แรงงานจะให้อะไรก็แล้วแต่แล้วจะต้องอ่านใจให้รู้เลย ว, ว่าใจของเราจะต้องให้ตามไปด้วยนะสอดคล้องใจให้อย่างสอดคล้องไปจริงๆรหรือให้หรือเสียสละให้หรือเสียสละออกไปปลดปล่อยออกไปเลยจริงๆต้องรู้จักใจในใจมณสิการทําใจในใจต้องแยบคายนะถึงจะรู้ปรมัต ธ, ธรรมรู้จักจิตเจตสิกต่างๆอาการของจิตพวกนี้จริ ง, รงๆ ให้จๆรๆิงนิทานทำไมเพราะทุกวันนี้เราก็เริ่มต้นแต่เพียงทานกันในโลกส่วนกว้างแล้วก็ทานแต่วัตถุเท่านั้นแหละแต่เขาไม่เคยสอนว่าเธอทาใจในใจอย่างไรมีแต่เอาเลยปรัชนาเอาแล้วก็บอกอีกคำหนึ่งว่าอธิฐานเอาอธิฐานอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจตั้งยังไงตั้งให้มันตรงตั้งให้มันเป็นสัมมาตั้งให้มันเป็นความสละปลดปล่อย ล้างกิเลส ห, หรือเป็นบุญตั้งให้มันเป็นบุญตั้งให้มันเป็นการชําระไม่ใช่ตั้งให้เป็นเป็นการสะสมไม่ใช่ต like ั <c oughs> ้งให้เป็นเป็นความโลภอธิฐานแปลว่าตั้งใจคําว่าตั้งใจที่จริงแปลเอาอัดอธิฐานนแปลว่าฐานสูงขึ้นอธิกับคำวมาฐานะฐานะแปลว่าตัวเราเรามีฐานะอย่างไรเรามีความเป็นอย่างไรมีบุญบารมีอย่างไรเราเป็นคนยังมีกิเลสนั่นเป็นฐานะเป็นคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นจะดียิ่งขึ้นอธิ อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจะเป็นคนที่สูงขึ้นก็ต้องเรียนรู้กิเลสตั้งใจตั้งศีล ใ, ให้แก่ตนเองตั้งให้มันได้แล้วแล้วเราก็พยายามกระทำให้มันชำระออกไปให้ได้้าชระออกไปให้ได้ก็คือกิเลสมันออกจากจิตก็เรียกว่าอาธิจิตถ้าตั้งมั่นแข็งแรงสลับปลดปล่อยออกไปได้อย่างแข็งอย่างตั้งมั่นอย่างไม่ค่อยล้มจนกระทั่งไม่ล้มเลย จนกระทั่งจิตตั้งมั่นขนาดวิมุตต์เป็นวิมุตต์อากนั้นเป็นไปในลักษณะปลดปล่อยหรือวเสียสละหรือให้อย่างจริงไปมันก็เป็นตัวสมาธิที่เต็มเป็นอธิจิตที่เต็มแล้วเราต้องรู้ด้วยนะให้ให้รู้สละให้รู้กิเลสเป็นอย่างไรกิเลสอ่อนกิเลสจางลงก็ให้รู้กิเลสมันเหลือเป็นแค่ผีหลอก นานๆแล้วก็เพลิดเพลไม่ได้ตั้งใจอะไรมันก็มีวุ้บทิศๆหน่อยๆอะไรก็ต้องรู้ว่า น, นี้นมันยังเหลือเศษผีหลอกจนไม่มีไม่เกิดจะโดยตั้งสติไม่ตั้งสติรู้ตัวไม่รู้ตัวก็วางเฉยแข็งแรงไม่โผไม่ผุดอีกเลยอาการ น, นั้นๆกับเหตุปัจจัยอันนั้นอันนั้นอันใดที่เราได้ฝึกได้เรียนไม่มุิ หลุดพ้นถอนสิ้นอาสวะรู้ต้องรู้ของตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้ตนรู้ของตนตนรู้ความจริงตามความเป็นจริงของตนเรียกว่ายถ า, าพูทธญาณนี่เรียกว่าอธิปัญญาปัญญาพยายามย้ำกับพวกเราอยู่เสมอโลกโลกเขาไม่เคยพวกที่เรียนข้างนอกเขาไม่เคยกระจายหรอกเขาถือเอาความเฉลียวฉลาดเหมาเข่งเป็นปัญญาหมดความเฉลียวฉลาดอรตมาก็พยายามแบ่งแยกให้ฟังแล้ว ว่าความเฉลียวฉลาดนั้นมันเป็นสองทิศทางความเฉลียวฉลาดกลางเฉลียวฉลาดอะไรก็ได้แต่เฉลียวฉลาดที่เรียกว่าอธิปัญญาหรือเรียกว่ายานทัศนวิเศษโดยเฉพาะคำวายถาภูตยานคือความเฉลียวฉลาดที่รู้จากอย่างประมาทรู้จักทิศทางที่จะปฏิบัติตนให้ประเสริฐที่มาจากเหตุตัวร้ายผีร้ายคือกิเลส ตัณหาอุปทานคือกิเลสตัณหาอุปทานนี่เห็นจริงๆเลยรู้จริงๆเป็นปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิรู้ของตนรู้เองตนเองปัจจตังเป็นของตนของตนวินยูหิเวทิตพโพวินยูหิก็แปลว่าเป็นผู้รู้วินยูหิเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ฉลาดเป็นบัณฑิต เป็นบิดดิษฐ์เองไม่ใช่ให้คนมาสอบยานเราไม่ไงคนมารู้แทนเราคนอื่นรู้ว่าเราดีคนอื่นก็คอยบอกเราอยู่ไม่ใช่ถ้าเราไม่เกิดปัญญาวิมุตต์หรือไม่เกิดยะถาภูตยานทัศนะไม่ถือว่าเราได้ธรรมะแม้เราจะมีจิตนั้นละได้หลุดได้เวียนกลับเก่งคนที่เหนือกว่าหลอกล่อได้กว่าประเนี้ยก็แก่ลำทิบเขาจิตวิมุตต์แล้วนะจิต จิตเป็นดับได้วางได้ด้วยซ้ําแต่โดนหลอกไปเดียวก็เป็นนั่นแหละสังขารโลกสังขาร โ, โลกก็คือตัวหลอกโลกคนในสังขารเก่งหลอกล่อไว้เดียวก็เวียนกลับคนที่ไม่รู้จักด้วยปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุติจะถอนอาสวะเจโต ว, วิมุติไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุผลปัญญาวิมุติปัญญาตัวปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นตัวถอนอาสวะจะเป็นตัวไม่เวียนกลับ จะถอนอสาาวะได้ด้วยปัญญาอย่าอื่นถอนไม่ได้ให้กดข่มให้เก่งให้ตาให้นั่งหลับตาให้เก่งให้ตายยังไงก็ไม่มีทางถอนอย่าว่าจะนั่งหลับตาเลยลืมตาประทะเนี่ยลืมตาชนกับกิเลส ต, ต่างๆนาน า, นานเนี่ยลืมตาชนด้วยลืมตาพยายามกดข่มเอาลืมตานี่แหละประเภทที่ลืมตาปฏิบัตินี่แหละ สู้ได้สู้ได้สู้ได้กดข่มแต่ไม่รู้ได้ด้วยปัญญาว่านี่มันเป็นอะไรอย่างไรอไรไอาการลิงค่นิมิตมันลักษณะอย่างไรหยาบกลางละเอียดลีลาอะไรต้องรู้มันไม่มีภาษาอธิบายหรอกไม่มีภาษาอธิบายแต่รู้จากเหตุอันนี้และอาการที่มันเกิดจากเหตุอันนี้เป็นอย่างนี้อ่อนจางบางคลายหรือว่าเลื้อมหนักเลื้อหนาอะไรรู้อย่างชัดรู้ตัวตนจึงใช้ว่ารู้ตัวตน รู้ตัวตนของมันจริงๆอาการลิงค่านิมิตอุเทศจับแม่นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายมันหมายเป็นยังไงลิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้มากมายหลากหลายเรารู้มันจริงๆริงรู้จนอาการนิมิตนี้แบบมันไม่มีหรอกแล้วก็รู้นิมิตของความว่างหัดปฏิบัติไปนี่แม้แต่เหตุปัจจัยแต่ละอย่างไปคุณก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันว่างตรงเนี้ยนิมิตว่างเป็นอย่างนี้นิมิตที่เป็นอาการไป น, นี้ แต่ละเหตุแต่ละปัจจัยที่เราตามศึกษาไปที่แบ่งให้ฟังอยู่แล้วพยายามแบ่งให้ศึกษากันอยู่เนี้ยตั้งแต่หยาบตั้งแต่เรื่องเลวเลวร้ายๆต่ําๆของใครของใครก็รรเลือกของตนตนไปติดอะไรมาไปเป็นทาสอะไรมาที่มันหยาบหยาต่ำๆรู้ชัดชัดตามศึกษาไปแล้วคุณก็จะไล่ตามเส้นทางหรือว่าตามเรื่องอันนั้นตามเหตุ ป, ปัจจัยอันนั้นไป จึงจะเป็นอริยสัตว์สีเราทุกเพราะเหตุนี้เหตุนอกแล้วมันก็เหตุมันก็เหตุจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวในแต่เหตุนอกนี่มันหลากหลายมหาศาลเหตุจากนอกนเยอะแยะหมดเหตุในก็เยอะที่เป็นหลอกปั่นเป็นภพเป็นชาติปั่นเป็นวิมานลวงเป็นอะไรตัวอะไรต่างๆนานาก็เยอะ เพราะฉันเอายาบก่อนที่ไอเยอะในน่ะค่อยตามมันละเอียดไอไปปั่นข้างในผีสางข้างในหรือว่าไอวิมานข้างในหรือว่าอะไรสังขารข้างในน่ะค่อยไปเรียนเพราะไอเน่ยมันนามาทำถึงไม่นามาทำมันก็ไม่เป็นอารวาสใครหรอกอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยเพราะมันไม่ได้เลของหยาบมันเป็นของนอกแล้วมันอยู่กับโลกเขาไม่ได้มันแยกงชิงทะเลวิวาทของโลกแต่ของเราเองแม้จะนั่งบาสางวิมานข้างในงี่ คุณก็ไม่ไปเอาของใครหรอกคุณก็ไม่ได้ไปแย่งชิงของใครไ ม, ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เป็นวัตถุทิ้ทงก่องของใครเพราะงั้นไม่เกิดการลําบากลาบนของสังคมเท่าไหร่แต่มันบ้าคนเดียวเท่านั้นเองดีไม่ดีบ้าเข้าโรงพยาบาลบ้าด้วยไม่ใช่บ้าธรรมดาไอ้ภพไอชาตินนเนี่ยนี่เขาลงหนังสือพิมพ์มาเนี่ยสวดพานยักษ์เนี่ยทําให้คนบ้ามากก็จริงโอ้ยกลัวยักษ์กลัวมารในแบบแบบในพบนั่นแะ ตัวผานยักเนี่ยแล้วก็ลุหลงตัวหลงตนเป็นน่นเป็นนี่อะไรชักกระตุกอะไรกระมรุเข้าโรงพยาบาลบ้ากันไปเยอะนี่ไม่นานนี่เองลงหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งด้วยมเมื่อเราเรียนรู้สภาพที่เราพูดกันย้ำซ้ำซาเนี่ยเรียนแล้วต้องทําให้จริงพิสูจน์ของเราเองเป็นอธิศีนอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาศีล ตั้งขนาดนี้ความหมายอย่างนี้เรามาใช้ปฏิบัติแล้วเราก็ขัดเกลา <_ unnatural> จิตจิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นขัดเกลาขึ้นเป็นบุญชําระได้มากขึ้นเร็วอธิจิตแล้วปัญญาก็รู้รู้ชัดขึ้นชัดขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นด้วยเรียกว่าปัญญาแล้วมันรู้ยิ่งขึ้นก็เรียกว่าอธิปัญญามันรู้ยิ่งขึ้นเรื่อยเรู้จริงขึ้นเรื่อยเ่อยแล้วก็รู้ความเจริญของเราจริงด้วยแล้วปัญญาของเราก็รู้จริงตามความเจริญนั้นแล้วมันละเอียดขึ้นจึงเรียกว่าอธิปัญญา มันละเอียดขึ้นนะมันแววไวขึ้นด้วยทั้งไวทั้งตรงทั้งแม่นปัญญานี่มันก็รู้ยิ่งรู้จริงขึ้นเรื่อยอธิศีนอธิอธิในลักษณะของสภาวะทีนี้สีลข้อนี้มีความหมายเท่าเดิมแต่ความเจริญที่เราปฏิบัติได้แสดงว่าสีลอันนี้มันก็ค่อยๆ ค่อยๆสมบูรณ์ค่อยๆเป็นศีลที่เราปฏิบัติได้เว้นออกเว้นออกยิ่งเว้นออกได้เท่าไรศีลนั่นก็จเจริญตามสภาพของมันจนปฏิบัติศีลนั้นได้ปกติศีลนั้นปฏิบัติแล้วจบแล้วเหมือนก็ไม่ต้องปฏิบัติเนี่มันเป็นศีลเขงในตัวจมดาประจาตัวเลยและมันก็เป็นอย่างนั้นะจิตวิญญาณเป็นอธิจิตสมบูรณ์ ปัญญาเป็นอธิปัญญาสมบูรณ์ศีลเป็นลักษณะปกติของคุณนั้นไม่ยากไม่ต้องทําเป็นแล้วอเศขัขัดศีลซึ่งอาศัยขัดศีลนี้เคยอธิบายเรื่องศีลมาตั้งแต่ว่าตอนนี้เราทานแล้วนะเรามาหาศีลแล้วนะศีละหมศีนตั้งแต่ว่าเราตั้งสมาทานให้เกิดตนเองว่าเราจะเลิกสิ่งนั้นเหตุปัจจัยนั้นเป็นอริยสัจข้อ ตามหาเหตุสมุดไทยทุกสมุดไทยเรารู้ว่าอันนี้เราทุกเพราะอันนี้เราตกต่ำเพราะอันนี้เราไม่เจริญเพราะอันนี้เป็นทุกอยู่รู้ว่ามันเป็นทุกแท้ตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ยากเราบัญหยาบมันรู้ว่าทุกอยู่มันทุกจริงๆชั้นสูงถึงจะรู้ว่าทุกลําบากทุกมันลําบากขึ้นทุกนี่มันรู้ยากขึ้นไอ้ทุกหยบหยาบต้นๆเนี่ในฐานปุตุชนไปหาโสดาบันเนี่เฮ้ยมันเรื่องกลัวยกลัวชุบน้ําผึ้ง มันง่ายนะง่ายพอสมาทานศีลแล้วแล้วเราจะต้องปฏิบัติศีลให้จริงปฏิบัติให้เป็นเมื่อปฏิบัติเป็นมันก็จะขัดเกลาจิตดังกล่าวแล้วแล้ววางได้ทั้งวัตถุ น, นอกแม้จะฟื้นทนวัตถุ น, นอกนี่เราวางก่อนเป็นกายวาจาทั้งรูปนอกใจมันก็จะถูกอบรมด้วยแล้วก็จิตก็ค่อยๆวางก็ค่อยปลดปล่อยก็ค่อยไม่ยากหรือยากก็ยากลดลงไม่ยากมากเท่าก่อน ค่อยๆง่ายขึ้นค่อยๆเบาขึ้นค่อยๆรรู้จักเหลี่ยมรู้จักมุมขึ้นเรื่อยๆการที่เจริญโดยสภาวะจิตก็เป็นอธิจิตขึ้นปัญญาก็เป็นอธิปัญญาขึ้นสีนี้เราก็ปฏิบัติได้ขึ้นนั่นแหละคือความหมายของอธิสีนในข้อเดียวความหมายเท่าเดิม การกําหนดความหมายไม่สูงกว่านี้การกําหนดความหมายเท่านี้แหละแต่สภาวะปรมัตาสภาวะความเจริญของตัวความเป็นศีลนั้นมันเจริญขึ้นก็คือเว้นออกได้เว้นออกได้เว้นขาดได้เว้นขาดไปได้ไปได้ไปได้ไปได้เบาไปง่ายไปง่ายไปจนกระทั่งเราทําก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนชานาญจนติดตัวติดตนจนเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นคนมีศีลอย่างนั้นน่ะมีสติสูง มีศรัทธาความเชื่อตอนแรกเชื่อถือแล้วก็เอามาปฏิบัติตามเรียกว่าเชื่อฟังพอเชื่อฟังก็เห็นจริงขึ้นเห็นจริงขึ้นมีวิริยะความเพียรปฏิบัติภาคเพียรทําไปทําไปก็เกิดวิริยินทรียสติก็จะเป็นตัวรู้ตัวพร้อมด้วยข้อสมาทานนั้นมันรู้ตัวอาตมาฟังว่านะคนปฏิบัติว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ ถือศีว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์อาตมาได้ยินมานะเล่ามาเสร็จแล้วตัวเองก็ไปเพลอกินเนื้อสัตว์เข้าไปจนจบเกมเลยนะกินจนอิ่มเสร็จแล้วกลับบ้านหรือไปถึงวาระใดวาระนึ่งถึงรู้สึกตัวตายเราถือศีสมาทานศีลจะไม่กินเนื้อสัตว์กินจนอิ่มได้ไม่รู้ตัวไม่มีสตินะอาตมางงเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงอาตมาฟังมาฟังว่ามันมีด้วยเหรอคนอย่างเนี้ย ถือศีลว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์แต่เผลอกินเนื้อสัตว์ไปจนอิ่มเป็นมือแล้วก็ไปรู้ตัวว่าใต้เราถือศีลจะไม่กินเนื้อสัตว์ผากินเข้าไปจนอิ่มจนอิ่มเป็นมือหนึ่งเลยนะเออกินเข้าไปเข้าปากพร่บแล้วก็รู้ตัวว่าใต้เรากินเนื้อสัตว์แล้วก็คลายออกเออย่างนี้ก็ยังพอจะเชื่อไอ้กินจนอิ่มเป็นมือแล้วยังไม่รู้ตัวค่อยเป็นระลึกได้ว่าเราเฮ้เราสมาทานจะไม่กินเนื้อสัตว์ล่อเข้าไปจนเป็นมือมันกินได้ยังไง มันไม่มีสติปานนั้นคิดดูมันไม่รู้ตัวปานนั้นว่าตัวเองสมาทานศีลข้อจะไม่กินเนื้อสัตว์มีด้วยเหรออาตมาได้ยินมาว่าใครมีอยู่ในนี้ยกมือขึ้นสิใครเคยบ้างในนี้อ่ะใครเคยเป็นถึงปานชนีบ้างไม่ต้องอายนะถ้าเคยมีก็ อยากรู้จริงว่ามันมีได้ยังไงแต่แอประเภทเผลอแล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็คายไอตอนใหม่ๆ ม, มันคงจะเป็นสมาทานใหม่ๆเผลออ้าวกินอ้าวรู้ตัวเราสมาทานสินไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยอันนี้อาตมาเชื่อว่าคงจะมีแหละเพราะว่ามันปับปบ ป, ปัไอกินไปจนจบมือแล้วก็ไม่รู้ตัวนี่ไม่สติสตังค์มันไปไหนมันไม่รู้ตัวเอาปานั้นมันไปไหนอาตมา ได้ยินมาดังนี้กล่าวแล้วยังไม่อยากจะเชื่อเนี่ยอินทรีย์พละศรัทธาวิริยสติเพราะเมื่อเราฝึกซ้อมเข้าถามย้าอีกทีมีไหมใครที่เคยตั้งใจแล้วสมาทานแล้วจะไม่กินเนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็เลยเพอิกเอาเข้าปากแล้วรีบเบืเ้องบนก็พัรู้ตัวแล้วก็ไม่นานมันก็คายแล้วก็รีบมีไหมยกมือขึ้นดิมีไหมเคยใครเคยเออหลายคน อันนี้อาจมาเชื่อว่ามันจะมีหลายคนมีตั้งใหม่ๆหรืออะไรอย่างนี้มันก็เป็นเพราะงั้นสติมันจะค่อยๆเก่งเห็นไหมยิ่งอย่างเนี้ยิ่งชัดอธิบายชัดมันเผลอเห็นัหมสติมันเผลอได้สมาทานแล้วน้อยไม่รู้ได้ยังไงว่เนื้อสัตว์ทั้งตั้งที่เนื้อสัตว์นั่นรู้นะตอนแรกดูกรู้ว่าเนื้อสัตว์แต่ไม่รู้ว่าตัวสมาทานมันเผลอมันไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เราคือคาว่าสติไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสมาทานไว้แล้วก็ยังไม่ชัดพอเรารู้ตัวก็เปลี่ยน แก้กลับสติก็จะไวขึ้นต่อไปต่อไปก็ไม่ถึงขนาดนี้พอรู้เนื้อสัตว์ยังไม่ทันจะหยิบเข้เอล้อไม่ต้องหยิบเรารู้แล้วเนื้อสัตว์ที่นี้ก็ตามรู้กิเลสสินะกิเลมันจะเอาไอ้มือมันไม่เอาแล้วละ่ะสติมันไวขึ้นสติมันบังคับได้มากขึ้นแต่กิเลมันเอามอยากบางทีก็หนักเลยอาการหนักอยากหม่หลามันสัทีทำไมสมาทานนี่เอ า, เ อ, า, เ อ, าอะไรละ่ะเขาเรียกอะไร ขอถอนขอข อ, อกคืนข อ, ขอเก็บวัดขอเก็บวัดซะก่อนได้ไหมเ <c oughs> นะี่ยเก็บวัดซะ ก, ก่อนเถอะน้ำแหม่มือนี้มันไม่ไหวแล้วขอเก็บวัดซะ ก, ก่อนเถอะหอเจ้าหนี้ซะ ก, ก่อนเถอะนะกิเลนมันก็จะเล่นงานเราเรื่อยไปเนี่ยคนตกหล่นแบบนี้เยอะไปพวกเราข้างนอกข้างนอกอะ่ะ เ, เสร็จแล้วก็พายแพ้เก็บวัดเรื่อยเลยกินมันเถอะแล้วสู้ไม่ได้ไปไม่รอดมากไป เป็นเยอะแยะไปหาเหตุผลนะเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้เหตุนั้นเหตุนี้สารพัดแลกิเลสมันเล่เหลี่ยมก็มันเยอะไม่งั้นมันไม่ชนะโลกหรอกกิเลสนะมันไม่มันไม่ชนะธรรมะหรอกเพราะคนธรรมะก็เยอะสิถ้าเผื่อว่าธรรมะมันมันไม่มันมันเก่งกว่ามันเก่งกว่ากิเลสน่ยนะคนก็มีกิเลสน้อยคนมีธรรมะก็เยอะเอยทีนี่ที่ไหนได้คนมีกิเลสมันเยอะคนมีธรรมะมันน้อย แสดงว่ากิเลมันเก่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ชนะกิเลสจึงยิ่งใหญ่คนที่ชนะกิเลสจึงต้องเคารพกราบไหว้บูชาเพราะกิเลมันเกง่งจริงๆนะแต่คนที่เก่งยิ่งกว่ากิเลนี่ต้องกราไบไหบูชาในสังคมเพราะกิเลมันเก่งจริงๆแต่คนที่เก่งกว่ากิเลจึงจะเรียกว่าคนเก่งจึงต้องเชิดชูบูชาเคารพแม้จะตัวเล็กตัวน้อยแม้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องกราบแม้แต่เป็นลูกพ่อก็ต้องกราบลูกเพราะว่าลูก ตัดกิเลสได้ลดกิเลสได้นี่มันเก่งจริงๆแม้แต่เป็นพ่อยังต้องกราบลูกอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เป็นแม่เป็นพ่อก็ต้องกราบต้องไหวสัจจะมันสูงอย่างนี้สัจจะสัจจะมันจริงอย่างนี้เพราะเวลาเราสร้างอินทรีย์พระมีศรัทธามีมีวิริยะภาคเพียรก็ทำเข้าเข้ า, ขาก็จะเกิดสตินี่มีความแวววายมุทุภูเตกรมมณเย เกิดความแหมววัยแหวไวัยรู้บางทีรู้เท่าทันแต่นัดไม่ได้รู้นะรู้ตัวแไวไวัยมันก็หมายกิเลสขึ้นนะแต่กิเลสยังไม่หัวอ่อน <c ười> คือจิตยังไม่ยังไม่จิตหัวจิตยังไม่หัวอ่อนกิเลสมันยังเก่งอยู่กิเลสมันบังคับจิตเลยกลายเป็นเจ้าจิตหัวแข็งนี่มุทุนี่นแปลว่าอ่อนนี่มาซ่อนเขาเอาแปลว่าจิตอ่อนเท่านั้นนะหมอัตมาฟังแล้วเป๋ทุกที ก็มันจเจริญแล้วมันจะไปจิตอ่อนอยู่ยังไงจิตมันอ่อนแอนอะพอหนักๆเขาก็แปลว่าจิตอ่อนโยนแล้วแล้วมันจะอ่อนโยนได้นี่มันขั้นสุภาพนะไม่ใช่ขั้นแค่สงบสะอาดสว่างหรือไม่ใค่แค่สว่างสะอาดสะอาดสว่างสงบนะมนไม่ใช่แค่ว่ามันจิตเนี่ยละให้สะอาดออกไปแจ้งชัดเป็นอธิปัญญาจนกระทั่งสงบประงับได้จริงเท่านั้นนะอ่อนโยนนี่มันลักษณะสุภาพสอที่สี่ ไม่จะแค่สามสนมันลักษณะเชื่องแล้วลักษณะอ่อนโยนนี่ลักษณะสุภาพแล้วดัดได้ถึงข้างนอกแล้ไอ้ขนาดที่คุณกำลังฝืนสังวรนี่มันไม่อ่อนโยนนะมันแข็งกระด้างนะมันอ่อนกระด้างนะมันต่อสู้กันนี่มันไม่เรียบร้อยใช่ไหมเวลาคุณกำลังฝืนกำลังเคร่งกาลังคุมอยู่นี่มันไม่ดูเรียบร้อยอ่อนโยนอ่อนโยนนี่มันมีสภาพสมู o ใช่ไมันมีสภาพ นะราพรื่นเรียบร้อยขึ้นไปแล้วมันมีลีลาที่งามขึ้นไปแล้วอ่อนโยนเำไมมันยังไม่อ่อนโยนรองมันยังอ่อนกระด้างอัดด้างอาจจะดัดมันก็กระดกกระเดกมัง่งมันก็พอทนได้แต่มันยังไม่อ่อนโยนหรอกนะอันนี้อัตมาอธิบายตามลักษณะสภาวะธรรมนะพราะัน้พุทธไตรสร้างอินทรีย์จนมีสติรอบทันเป็นมุทุพูเตวายวแล้วก็ดัดได้ง่ายปรับเขาได้ง่าย ขจัดกิเลสได้ง่ายตามลักษณะปะหารตั้งแต่วิคัมพนาปะหารตะทงังคปะหารปฏิ ป, ป, ปสัทธิปะหารคือปะหารคือข่ามันได้เร็วขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นอตอนแรกก็ทําได้บางช่วงบางช่วงก็ทําไม่ได้แตท่ทังคปะหารทําได้โดยลักษณะกดลักษณะคมมันบ้างก็คมมันกดมันจริงๆเอามันจริงๆทําทั้งการกดการขม่มทัำทั้งวิปัสนาธุระให้เกิดปัญญาปล่อยได้ง่ายขึ้นเชื่องขึ้น รู้เท่าทันแล้วก็ชัดโดยปัญญาปัญญานี่เสริมหนุนมากกดลูกเดียวนี่มันก็เขาเรียนมามากแล้วไอ้เรื่องกดข่มลูกเดียวาศาสนาไหนเขาก็สอนทั้งนั้นแหะศาสนาพุทธก็ใช้ด้วยเสมาธาธุระก็ใช้ด้วยแต่ว่าใช้โดยไม่รู้ไม่ได้นะใช้ต้องรู้หัวรู้หางรู้กดมันโยถ้าไม่เห็นหัวเห็นหางมันแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกดมันตะพื้นมายังไม่ทันเห็นหน้าก็กดตะพื้นไม่ได้เขาพูดไม่ทําอย่างนั้นพุทธนี่ต้อง ถึงกดแล้วก็ต้อง ค, ค่อยๆปล oui ่อยหน้ามันมาดูปล่อยหน้ามันมาอ่านปล่อยตัวมันมาอ่านให้รู้ต uh, ัวรู้ตนจึงเรือกว่ารู้ตัวรู้ตนอัตตารู้อัตตารู้สักกายะรู้ตัวมันตัวกิเลสน่ะไม่ใช่อื่นนะมันเป็นยังไงอาการลิงคะนิมิตนิมิตมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันดูยังไงลีลาเป็นยังไงนะให้ชัดเจน เสร็จแล้วเมื่อเรามีมุทุภูเตกรร ม, มดียการงานการกระทำเนี่ยเราจะทํางานทําการอยู่สัมผัสแต่ต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยเหตุแห่งกิเลสอันนั้นสัมผัสเราก็แววไวขึ้นมุทุขึ้นเรื่อยเรยรดัดได้ง่ายขึ้นเรื่อยสู้ได้ง่ายขึ้นเรื่อยสู้เร็วเร็ว <c oughs> ขึ้นเรื่อยก็สั่งสมทีเตตั้งมันแข็งแรงขคือดื้อสมาธิที่แปละว่าตั้งมันที่จริงสมาธินี่แปละว่าอัธิทั้งสสมะบวกอัธิเคยบอกรากศัพท์มาแล้ว ทั้งตัวศีลเป็นอธิทั้งตัวจิตเป็นอธิทั้งตัวปัญญาเป็นอธิก็คือสมาธิได้อธิทั้งสามนี่สัมพันธ์กันสมตัวนี่มันแยกกันไม่ได้นะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่มันเป็นอธิทื่องในเรื่อ ว, ว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาการศึกษาสาอย่าไปแยกหนึ่งมันจะไปพร้อมกันเลยศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดผลก็เป็นญาณวิมุติเกิดผลก็เป็นวิมุติวิมุติญาณทัศนะ มันก kind of ็จะตามไปอย่างนั้นพอเมื่อเราทํำ <zijn>. บ่อยๆวิคัมพนาบ้างแต่ทางขับปะหารบ้างวิคัมพนะปะหารบ้างก็เก่งขึ้นเรียกว่าปฏิปัสสธิคือสงบปัสสธินี่แปลว่าสงบปฏิประวัติทวนเราก็ทําซ้ําไปทวนไปทวนมามันก็สงบได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นปะหารอย่างเก่งขึ้นปฏิปัสสธิปะหารปะหารได้เก่งปะหารได้เร็วขึ้นแววไวขึ้นเรื่อยแล้วก็ดัดได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเราเข้าไปสู่ทีเตะเข้าไปสู่ความตั้งมั่น จนนิสระประหารเรียกว่าเก่งจนขนาดแตะปั๊บสลัดปุ๊บเลยง่ายแตะสลัดได้ง่ายเลยสลัดได้ช้าหรือเร็วก็เรื่องของความจริงที่คุณทำได้คุณจะสลัดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความจริงที่คุณได้ประหารได้เร็วเท่านั้นนิสระประหารนี่ก็อยู่ในสมประทานสี่มีสังวรประทานประหารประทา น, นประหารจรงิๆจรงๆจึงจะเกิดภาวนาประทานจึงจะเกิดผล เกิดผลแล้วคุณก็อนุรักษนาประทานคุณก็รักษามันหน้าที่ได้นะอย่าไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปอีกรักษาที่ได้ก็รักษาการปฏิบัติได้ไปเรื่อยตั้งมันไปเรื่อยจนสมุดเฉ ท, ทประหารจนกระทั่งเด็ดขาดศูนย์สมุดเฉทแปลว่าความศูนย์ต่อเนื่องสมะบกอุดเฉทอุดเฉทนี่แปลว่าขาดศูนย์คือกิเลนี่ขาดศูนย์มีแต่ตัวขาดศูนย์ต่อเนื่องกิเลนไม่เกิด เรียกว่าปะหารได้เด็ดขาดอัตมาแปลสมุทเฉชยว่าคือตัวปะหารได้เด็ดขาดเด็ดขาดสมบูรณ์ก็คือทอนอาสวะสิ้นสมุทเฉชต่ปะหารแล้วก็ต้องฝึกจริงของตนจริงต้องรู้นะที่พูดไปนี่ต้องรู้อาการรู้สภาพของเราว่ามันถึงขั้นไหนได้แค่ไหนจริงๆเนี่สร้างอินทรีย์พละสร้างชานมุทุพูเตกัมริเยทีเตอเนชัปเตก็หมายเขามันอย่าว่าจะตั้งมันธรรมดาเลยอเนนชา ไม่ได้มีวันมีไหวไม่ได้มีวอบมีแวบนะพุทธะโสโลกะธรรมหิจิตตังยัตสัณนะก ร, รมปตินะก ร, รมปติแปลว่าไม่วันไหวพุทธะโสโลกะธรรมหิโลกธรรมต่างๆเอาละเป็นเรื่องๆโลกธรรมบางเรื่องตบางเหตุที่เราแบ่งมาทําเนี่ยย่อยมาทําทีละอย่างทีละอั น, นมันกระทบสัมผัสพุทธะก็แปลว่าพัสธะสัมผัส โลกกระทำนี่มันมากระแทกสัมผัสยังไงยังไงโลกพุทธศสา ร, รโลกกระทำไมหิจิตตังยัตสกจิตของเราเนี่นากนรรมปติหมดไม่วันไหวก็คืออนเนินชาอนเนินชาจิตไม่มีวันมีไว้ไม่มีเคลื่อนมีคลอนไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงยิ่งกระภูเขาหินตั้งมั่นถึงขนาดนั้นท้องเขาอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนี่ลักษณะจิตเหนือโลกกิเลตายแล้ว ที่มันตายแล้วมันไม่ฟื้นแล้วมันไม่มีคืนชีพอะไรแล้วไม่คืนอีกยังไงก็ไม่คืนแกล้งก็ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้วจิตนั้นศีลก็เป็นปกติแปลว่าปกติเพราะฉะนั้นคําว่าอธิศีลก็คือสภาวะก็เจริญอธิ จ, จิตเจริญอธิปัญญาเจริญความหมายของศีลขึ้นมาเป็นปกติเรื่อยเรื่อยเืยเรยจริญขึ้นมาจนกระทั่งในระดับหนึ่งการเจริญเรียกว่าอธิศีล น, นี่แปลว่าการเจริญของศีล มันจเจริญขึ้นมาขั้นหนึ่งจะเป็นอริยะกันตศีลเพราะเราปฏิบัติให้มีปริสุทธิศีนขึ้นมาเป็นขั้นขั น, ขนถูกตอนถูกเรื่องก่อนจะเป็นอริยะกันตศีนก็คือสีลของเราศึกษาปาฏิโมกศีลสังวรปฏิโมกศีลปริสุทธินะเป็นปริสุทธิสี่ปริสุทธิอันที่หนึ่ง ปฏิโมกศีนสังวรปฏิโมกก็แปลว่าศีนนั่นแหละข้อที่จะทำให้เกิดการละหน่ายคลายนั่นแหละเรามาทำจริงๆทวนทำไปทวนทำมาปฏิโมกเรามาศึกษาความหมายของปฏิโมกหรือความหมายของศีลปฏิโมกก็แปลว่าศีลแปลว่าข้อที่จะพึงประพฤติเพื่อความบรรลุธรรมจะเรียกวินัยจะเรียกศีลจะเรียกข้ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละปติโมกนะหรือศีนมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งก็เรียกว่า อ, อะไรแล้วปาปะอะไรไม่ใช่ลักษณะอันหนึ่งก็คือละเวน้นอีกลักษณะหนึ่งทำให้ยิ่งอะฮะเออบาปสมาจาร์ปาปสมาจารบาปสมาจาร์กอภิสมาจาร์แ ม, ม่บัญญัตินินนึกไม่ออก หนึบเอมันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละมันมีบาปสมาจาร์คือประพฤติอย่างละเว้นออกกับอย่างอีอย่างหนึ่งศีลที่ทำให้ยิ่งขึ้นหรือปฏิโมกทํทำให้ยิ่งขึ้นวินัยศีลหลักอะไรหลักเกณฑ์อันนึงก็ทำให้เรายิ่งยิ่งขึ้นทำให้ดียิ่งขึ้นอีกอันเนืกอทำให้เราละเว้นออกให้ได้เป็นบาปสมาจาร์ไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นไม่ให้มีได้มีสองทิศทางเท่านั้นแหละ ก็มาเรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรมันมีความหมายแค่ไหนในเรียกว่าเรียนปาติมโมกสินสังวรปริสุทธิเรียนยังให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้สมบูรณ์ให้ชัดเจนเรียนความหมายเสร็จแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะเรียกว่าวอินทรีย์สังวรปริสุทธิสังวรอินทรียหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวร อ, อินทรียหกสังวรให้บริสุทธิ์ให้ได้กระทาไป เราเริ่มต้นกระทามันยังจะไม่ถึงขั้นอาชีวะปริสุทธิ์พอทำไปทำไปชำนาญชำนาญชนานาญจึงจะถึงขั้นอาชีวะปริสุทธิ์ถึงขั้นเป็นประจาชีวิตได้ปฏิบัติธรรมะเราปฏิบัติธรรมะเป็นมีการงานด้วยบอกแล้วมีการงานด้วยปฏิบัติไปเพราะการงานมากองแผ่ไม่ได้ทิ้งการงานล้วกำหนดเอาเท่าที่เราสามารถ สมาทานเอาทเา ท, าท่าที่เรากําหนดแล้วเป็นปาติโมกศีลสังวรเป็นปาติโมกศีลปริสุทธิ์ปาติโมกศีลสังวรปริสุทธิ์เราก็กำหนดเอาเท่าที่เราทําได้สมาทานเท่าที่เรามีอินทรีย์พะละและไปสังวรจริงอินทรีย์สังวรจริงจนกระทั่งสังวรได้มีผลประจําชีวิต ปรารู้เท่าทัานไม่ตกไม่ล่นไม่ร่วงทำจนกระทั่ง Kristen, ได้ผลเป็นอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาขึ้นเรื่อยตังมันขึ้นเรื่อยตั้งมันขึ้นเรื่อยจนเป็นอริยกันตศินจนพระอริยเจ้าพอใจหรือเรานี่แหละเป็นพระอริยซะเองแล้วเราก็ยินดีพอใจเออรเราปฏิบัติได้ น, นั่นนี่เราอ่านของเราเองออกว่าเราสอบได้แล้วนั่นนี่เรา วันวคืนคืนี่นนนเราปฏิบัติตามศีลข้อนี้ของเราเนี่ยสบายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะและทําได้กว่า 50-60% ขึ้นไปถึง70 80เท่าไหรคุณก็พอใจมากเท่านั้นแหละทามันยิ่งปฏิบัติได้ 80- 90% มันก็ยิ่งพอใจแล้วเราก็ได้ผลจริงเราเป็นพระอริยะจริงเพราะเราปฏิบัติศีลนี่ชำระกิเลสชําระจริงมันได้ทานลไมออกจริงมันเกิดภาวนาไมาจริงเพราะศีลนี่เป็นศีลละไมที่เราปฏิบัติอยู่ มายะหรือมายังเนี่ยอันอันเป็นเราเนี่ยทานก็เราก็ป็นตัวทานศีลเราก็มีตัวศีล ภ, ภ, ภาวนาไม่แปลว่าการภาวนาภาวนาแปลว่าการเกิดผลมันก็เกิดผลจริงเป็นอริยกันต์ศีลกันตับแปลว่ายินดีอริยะก็คือความประเสริฐตัวเราเองก็ยินดีในตัวเราหรือพระอริยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราก็เห็นก็รู้ มันจะรู้ว่าคนนี้มีศีลไม่มีศีลก็รู้ได้พระพุทธเจ้าก็บอกดูศีลจะรู้ว่าคนมีศีลได้โดยการอะไรอยู่ร่วมกัน อ, อยู่ร่วมกันก็รู้ได้พระดิยาเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงดูก็รู้คนนี้ศีลตั้งมัน่นศีลแข็งแรงขึ้นแล้วกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีบางคนใหม่ๆนี่กายวาจาบริสุทธิ์ดีหรอกแต่เครียดเป็น อ่าฮะเป็นเดคกุร่าเลยยังแข่งพอเก่งแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นปกติคืนสู่สามัญมันจะสูงขึ้นนี่มันจะกลับคื้นสู่เป็นปกติเป็นธรรมดาสามัญไม่ต้องไประวังระวัยมากไม่ต้องแข็งไม่ต้องเกรงไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไรมากเพราะมันจะคล่องมันจะแคล่มันจะเกิดมุทุภูเตกัมมนีเยจริงจริงมันจะเกิดความแววไวแล้วก็ปรับง่ายดัดง่ายเร็วไวมันไม่ใช่ปากพูดนะ มันเป็นเองเป็นจริงของมันจริงๆนะฝึกจริงเข้ารูเข้ารอยถูกเรื่องถูกทฤษฎีถูกวิธีการมันก็จึงจะเป็นแกล้งเอาไม่ได้แล้วคนแกล้งมีเหมือนกันแก้งแกงเสร็จแล้วเสร็จก็แกล้งไปหลอกเขาตัวเองไม่จริงมันจะไม่ได้เรื่องมันก็หลุดกระล่อนตอนนั้นเองสังวรไม่จริงระวังไม่จริงมันก็กินเหล่าแทะแต่เราไม่ยังไม่ได้เราก็ต้องสังวรจริงๆใครจะว่าเราช่างเถอะจะว่าแข็งไม่ได้คุร่าก็ช่างเถอะแต่มันมากเกินไปมันว่าแข็งก็จะไปเอาหนักขนาดที่สมทานลดลง สมาทานให้มันเข็ดมันอ่อนก็แน่นหน่อยสิเพ่เข็ดแข็งเพ่งจะเอาเร็วๆไวๆตะกาตะกรามเสร็จแล้วต้องส่งโรงพยาบาลบ้าเลยกลายเป็นแข็งเชิถืโอไปโอ้โหทําอะไรก็ไม่ไหวนี่เดี๋ยวจะผิดศีลเดี๋ยวจะผิดศีลระวังแจ่เลยแล้วตัวเองก็ไม่เก่งตัวเองก็ยังไม่สามารถมันก็ตายกันพอดีว่าให้พระหมาะพสมมัชชี ม, มาอยู่ในทุกอย่างพวกนี้หมดเลยต้องพอเหมาพอดีนะมัชชี ม, มาถ้าเกินไปเราไม่ไม่ไมรอด แต่ถ้าพอดีเลยรากไ็ได้ได้ดีด้วยบางคนอดทนเกง่งสู้เกง่งแล้วก็มีลักษณะชอบแรงแรงหนักหนกของตนก็แล้วแต่จริตของใครของมันบางคนไม่แรงเกินไปไม่ไหวเราทำไม่ได้ก็แล้วแต่ของใครของมันอันนี้มั น, นบอกตายตัวไม่ได้ของใครของมันให้พอดีพอเหมาะว่าเราทาได้ล้วเจริญของเรา น้องทั้งเป็นลักษณะนี้อาตามาเอาหลายองค์ธรรมของาศาสนาเอาองค์ธรรมของพรุทธเจ้า ม, มาอธิบายซ้อนให้ฟังนะทดสอบทวนไปนะว่าเราปฏิบัติธรรมนี่เป็นอริยสัจสี่รู้ว่านั่นทุกข์รู้ว่าเหตุตามหาเหตุแล้วก็สมาทานด้วยศีลเราจะฆ่าเหตุกิเลสอันนี้แหละแล้วมันก็ค่อยจางคลายจางคลายจึงจะไปหาทุกนิโรธทุกนิโรธจึงจะไปหานิโรธค่อยๆวิราคะจางคลายก็ค่อยคลายก็ค่อยนิพพิทา เป็นจริงศีลเจริญขึ้นเป็นอริยกันตศีลถึงขั้นที่เราเป็นอภอริยสัจเองแล้วก็พอใจยินดีในศีลที่เราปฏิบัติมีมากมีผลชําระจริงเป็นบุญกิริยาวัตถุจริงได้จริงไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อกล่าได้แล้วนี่นะเราได้ขั้นต่ําเราได้ขั้นละโลภโทสะหรือละราคะโทสะหรือรากามลัพยาบาทที่จริงมันละนิวรณ์ไม่ได้ละอื่นหรอกนิวรณ์เป็นตัวหลักนิวรณ์ทําทำในทำข้อที่หนึ่ง นิวรณ์หนี่แหละกิเลสอะไรอะไรก่อนนิวรณ์มันเป็นกามและแรกๆนี่คิดมักจะเป็นพยาบาทถ้าเผื่อว่าคนนั้นไม่เก่งเราตอนแรกเรารักมันติดมันยึดมันเป็นราคะเป็นกามพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปชักจะรู้ดีผลที่นี้พยาบาทชังไม่ใช่ชังแต่ตัวคนเดียวนะตัวคนเดียวชังไอ้ น, นี่ก็ไม้นะถ้าไปใครไปเอาไอ้ น, นี่ไปชังคนต่อไปอีกไนงะ ไปซัดกับเขาอีกคนนั้นคนนี้แรงเลยยิ่งคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดพ่อแม่ปฏิบัติได้ลูกมันติดดา่าลูกไอ้ลูกปฏิบัติได้ไปซัดพ่อแม่เอาถึงบาดบานนั้นเลยเป็นพยาบาทเป็นตัวโทสะโคตรมันแรงมันเร็วมันร้ายถึงอย่างนั้นน้นันะ้นมันต้องรู้ตัวบอกเราได้เราดีแล้วคนอื่นเขาไม่ดีเกิดถังเขาเป็นไรหรือเขาเราจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาสิถ้าเขาศรัทธาเริ่มใสเชื่อฟัง ถ้าเขาพอจะฟังเราได้ก็เอา้าถ้าฟังไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องเขายังมีมาหน้าด้วยยิ่งเราเป็นลูกแล้วเขาเป็นพ่อเป็นแม่ทําที่เราเท่านั้นอย่าไปแอคเลยทําให้เราให้ดีให้เรามีฤทธิ์จนกระทั่งเขาเห็ น, นจนนับถือจนเขาศรัทธาบอกโอ้โหลูกเรามันสูงจริงๆนะมันวิเศษจริงๆดูสิเนี่ยขนาดคนอื่นๆยังมากราบมาเคารพกราบไหว้คนอื่นๆยังม า, า, ม า, า, าใหญ่คนอื่ น, ๆ, น, นๆที่ใหญ่ๆโตๆยังมามอบมายอบมากราบมายอมอะไรต่างๆ สิ่งแวดล้อมตัเรานั้นจะช่วยให้พ่อแม่เนี่ยมองไปไหนเขาก็กราบหมดเราเป็นพ่อเฮ้ยบางทีคนบางทีเป็นเจ้านายของเราด้วยเขายังกราบลูกเราเลยเราก็ต้องกราบตามเจ้านายเรางี่เป็นตัวแม่เป็นพ่อเป็นแม่บางทีต้องกราบตามเจ้านายมันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นๆดึงจูงโดยจริงจิอใจมันไม่ยอมหรอกมันลูกข้านิวาไอ้คาว่าลูกข้านิลึกนะข้าทําให้มันเกิดมานะทาไมมีข้าแล้วแกไม่ได้เกิดมานะมันเป็นใหญ่นะ ไอพ่อแม่นี่มันใหญ่เนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลนเลมันใหญ่กับลูกนี่มันใหญ่จริงๆไอคนมีกิเลสมันมีงั้นจริงๆเน<อ>ีเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรใครเขาได้เราต้องประมาณตนเรายินดีในศีลของเราแล้วคิดมากมันจะหลงตัวมานะหลงดีแล้วก็เอาไปซัดไปคนอื่นคนาโดยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องคนอื่นเขาจะมายินดีมากันตะศีลอะไรกับเราไม่มาการตะมันไม่ได้ยินดีในศีลในคุณธรรมในมรรคในผลของเราด้วยหรอกมันไม่รู้เรื่องหรอก แต่เราก็หลงเราอยู่คนเดียวไม่ใช่หลงหรอกรู้จริงด้วยรู้ว่าเราได้ดีก็ตามแต่เราจะหลงตัวเป็นมานะถือตัวถือตน ถ, ถ, ถือดีซึ่งคนอื่นก็ไม่รู้ดีกับเราทาั้งนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นไอ้คนโลกโลกที่ยังเป็นหลงอบายยมุกกว่าดีเลยซ้ําไปแล้วเขาหลงเวาลาเยอะสเสริญโลกยียสุกว่าดีเนะ่ยมันเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นธรรมดายอยู่แล้วส่วนเราได้ดีสิเราก็รู้ของเราทิศทางของเราทวนกระแสะกันกับของเขาเลยซ้ําไปเขาจะไม่รู้อะไรกับเรา แต่เราได้ดีเราก็หลงดีของเราแล้วก็เอาไปตีเขาเอาไปอวดอ้างเขาเอาไปยัดเขาเร็วๆมันไม่เร็วหรอกมันไม่ได้ง่ายนี่ไม่รู้ตัวมันจะเป็นอย่างงี้เสมอเพราะพอเรามีอริยกันตัดสินสูงไปก็ให้รู้ว่าเราดีแล้ ว, ลวถูกล่องถูกช่องศีล น, นี้เป็นศีลที่น่าพอใจแล้วพระอริยะเจ้าตัวเราเองหรือเพื่อนฝูงที่เป็นอริยะเป็นครูบาอาจารย์ที่เขารู้ด้วยรู้ตามเขาก็ยินดีพอใจเอออนุโมทนานะนีได้แล้ว พอดีได้ศีนเป็นอริยกันตศีลจนปาริสุดที่ศีนี่ถึงขั้นอาชีวะปาริสุทธิแล้วก็ถึงขั้นปัจจยปัจสันนิสิตสีนจนถึงขั้นตั้งมัน่นอาศัยสันนิสิตแปลว่าตั้งมัน่นหรือแปลว่าอาศัยได้อาศัยได้อาศัยเป็นของอาศัยเลยศีนี้เป็นที่พึ่งอันกเกษมบริสุทธิ์ได้ตั้งมัน่นได้อาศัย เป็นปัจจัยแต่แลรปัจจัยไปเลยเป็นปัจจัยชีวิตมีศีลเป็นปัจจัยปัจจยสันนิษฐ์ศีลมีศีลเป ina, ็นปัจจัยชีวิตมีศีลเป็นเครื่องอาศัยมีศีลเป็นที่ตั้งของชีวิตพึ่งศีลพึ่งความปกติพึ่งความบริสุทธิ์ที่เราปฏิบัติมาเพื่อให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดให้มันหมดกิเลสนั่นเองก็เป็นตัวบริสุทธิกิเลสจริงตั้งมัน่น ได้อาศัยอย่างกเกษมเป็นปัจจัยชีวิตเลยมีศีลเป็นปัจจัยพระอาหารหันต์เป็นศีละบุคคลพระอาหารหันต์เป็นบุคคลที่มีศีลเป็นปัจจัยมีศีลเป็นที่อาศัยมีความบริสุทธิ์ความปกติชีวิตกิเลสอะไรรู้เท่าทันอะไรอะไรของโลกโล ก, กวิทูรู้เท่าทันกิเลส ข, ของเราหมดจิตของเราเหนือโลกที่เราสัมผัสอยู่ อย่าว่าแต่ไม่วันไหวเลยไม่เกิดอีกสูนอยู่อนัตตาอยู่กิเลสอนัตตาเสมอพระอรหันต์ในกิเลสอนัตตาเสมอกิเลสไม่มีตัวตนอยู่เสมอต่อเนื่องอยู่ด้วยสภาพสมุดเชตสูนอยู่เสมอต่อเนื่องอยู่ด้วยความสูนสูนสูนขาดสูนขาดสูนกิเลสขาดสูนอยู่นะไม่ใช่ว่าขาดใจไม่ใช่ว่าตายแล้วยังไม่ตายนะชีวิตร่างกายยังเหลือรูมนาำขันห้า พรรนหะันน่ยยังมีชีวิตจะมีอุปาธิยังมีส่วนขันห้าที่เหลือสัอุปาธิสัเสสัอุปาธิเสษะเสษับแปลว่าเหลือสระแปลว่าประกอบด้วยหรือแปลว่ามีมีขันห้าเหลือเป็นผู้ที่มีขันห้าเหลือก็เป็นสัอุปาธิเสสานิพานในอันนั้นอันนั้นอยู่ศีลก็เป็นศีลอเศัขัดศีลตอนนี้มัน ปริสุทธิ์ที่สี่ก็ปริสุทธิอริยกันตะมันยินดีด้วยอริยะนี้จนกระทั่งเป็นอริยะขั้นอสเเคสีนั่นก็เป็นปกติธรรมดาทุกวันนี้เขาอธิบายปกติทุมเครือเบเลอๆปกติปกติอะไรก็ไม่รู้ปกติไม่มีองค์ธรรมไม่มีอะไรที่ขยายขวางไม่มีอะไรที่มันชัดเจนปกติอะไรปกตินี่เป็นปกติชีวิตมีศีลประจําตนปกติที่มีศีลประจําตนแล้ว เป็นปัจจะสนิสิศีลมีศีลเป็นเครื่องอาศัยมีศีลเป็นปัจจัยชีวิตแล้วเป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่อาศัยธรรมดาอาศัยอย่างเกษมอาศัยอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่ความหมายมันลึกซึ้งนะธรรมะนะ่ยและมีสภาวะจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลเกิดภาวนาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายคําว่าภาวนาใหม่เลยแต่อธิบายไปหมดแล้ว ไม่ได้กล่าวเขาว่าพภาวนากํากับวงเล็บไปประกอบเลยแต่อธิบายถึงสภาวะที่ได้ผลได้ผลภาวนาแปลว่าการเกิดผลได้ผลมาจริงๆเป็นภาวนาไหมทีนี้มีผลที่เราจะไม่ทะลุเนี่ยก็ต้องมีเสริมไปอีกหลายบุญตั้งแต่อัปัจญ า, า, านามัยวยาวัจจะไม่ปฏิทานนามัยปฏิทานนามัยนี่ไม่ใช่ทานนามัยตัวต้นนันนะตัวต้นน่ะทานนามัยน่ะเป็นตัวกว้าง แต่ปฏิฐานาไมัยนี่จะต้องเพ่งจะต้องเร่งจะต้องให้สูงขึ้นอีกท่านให้ได้เข้าถึงตนถึงตัวของตนเองให้ชัดขึ้นเป็นแนวลึกปฏิฐานนามปัตตานุโมทนาไมธรรมสวนาไมธรรมเทศนาไมเป็นตัวบุญกิริยาวัตถุที่ขยายเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้นี่ได้ภูมมาทําขั้นหนึ่งนี่นะมันจะไม่ลึกเมื่อใ่เรืนะ่องนั้นมันจะเกิดเหตุจากตัวเราเองนี่แหละ อย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะถือดีมันจะไม่เกิดการน้อมถ่อมตนมันไม่น้อมถ่อมตนแม้กระทั่งเมื่อกี้สมมุติว่าจะเป็นลูกลูกปฏิบัติได้สีนี้ดีประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยระายรายแม่แต่พ่อแม่คนอื่นป่วยการไปรยายจะไปกล่าว อ, อย่ามาแย ếm นะมันก็จะซัดเข้าให้ไออยากให้พ่อแม่ดีนะั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งเพื่อนูงคนอื่นอย่ามาแตะก็อีกลักษณะหนึ่ง บางคนไม่ล่ะรู้ว่าไปสอนพ่อแม่ไม่ได้หรอกก็ไปสอนคนอื่นอีกแหละไปสอนคนอื่นก็ไปเอาเขาสัดเข้าไปแทนที่จะเป็นลักษณะว่ายิ่งได้สีนั้นจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะทำตนเองให้เป็นคนที่อยอมเขาคนไม่ยอมนี่แหละมันไม่เลื่อนฐานภาวนาไม่เพื่อได้มาสักหน่อยแล้วต่อไปมันไม่เอาแล้ว มันไม่ยอมในลักษณะใดก็ตามแต่ตามสมมุติก็ตามตามปรมาทัยก็ตามยิ่งปรมาทัยไม่รู้บางทีจะไปอวดเก่งกับครูบาอาจารย์อวดเก่งกับพระอริยเจ้าตัวทุบูสูงกว่าจริงซึ่งเราไม่รู้เขาเราได้ปฏิบัติศีลมาได้ฐานหนึ่งเท่าก้อนขีหมาเสร็จแล้วเราก็นึกว่าเรานี่ดีนักหนาไม่มีอัปจา ย, ยนามัยไม่มีการถ่อมตนไม่มีการน้อมตนมันหลงดีมีมานะกิเลสมันเกิด ซึ่งมันไม่รู้ตัวเรานะคนที่เป็นไม่รู้ตัวคนรู้ตัวแล้วเป็นบุญพอรู้ตัวแล้วก็หาทางลดนดน้อมลงไปพยายามอย่าไปถือดีเลยดีเท่านี้จึงจะได้รู้ว่าอ้อคนนี้เขาสูงกว่าเรานะโดยประมาทเขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นคนมาทีหลังเราเรามาเข้าอาโศกก่อนคนนั้นมาทีหลังเขาอาจจะเจริญกว่าเราด้วยซ้ำ แต่เราเหงนั้นฉันบริสุทธิ์ศีลเท่านี้แล้วฉันอย่างนี้แล้วแก่ได้ยังแก่บี้บีบเขาเลสเสร็จแล้วเราก็ขมก็เบงโดยไม่รู้ตัวมานะก็โตยิ่งมาหน้าโตตัวเองก็ยิ่งนามืดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดโกรธง่ายนะแล้วก็ไม่ได้ถอดถอนตัวไอ้ตัวโทสักโคนี่มันตัวหยาบกว่าตัวโลภนะมันตัวหยาบฝันยังไม่รู้ตัวโลภนี่มันเนียนในแล้วมันยาวมันไกลโลภเนี่ย สายโลภะนี่เป็นฐานรากโทสะนี่เป็นตัวที่เกิดเพราะเรายึดตัวยึดตนยึดดียึดอะไรก็แล้วแต่มันยึดแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาไม่สมใจทีหนึ่งไอ้สมใจอยู่นั่นเป็นรากฐานเพราะไม่สมใจเป็นปฏิเรปฏิกิริยาซ้อนจากตัวมีรากฐานของอัตตากรและจึงเกิดโทสะเพราะนั้นดับโทสะก่อนค่อยมันล้างโลภะหมดทีหลังสายโทโลภะหรือโลภนี่มันทีหลัง มันโลภตัวโลภตนแม่ที่สุดโลภในนิพพานได้นิพพานแล้วก็มายอมปล่อยนิพพานถือว่านิพพานเป็นของตนนีน่มันก็ยังถูเป็นสายโลภมันหมดแล้วล่ะไอ้ปฏิฆะไอ้ไม่ชอบใจอะไรมันหมดไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังเป็นสายโลภอยู่สุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะนี่บอกบอกตัวลายให้ฟังมเมื่อเราเองเรารู้เราเรียนรู้บ้างแล้วพ้ได้อะไรดีบ้างแล้ว จ ะ, จะเจริญขึ้นอีกมีบุญกิริยาวัตถุต่ออีกจะต้องตรวจตนน้อมตนยิ่งอ่อนตนน้อมตนอาตมาเห็นอยู่นี่หลายคนเก่าแก่เลยแก่วัดบางคนมีศักฐานะสูงขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วไม่รู้จักตัวอปปจยนามัยไม่ยอมแปลง่ายๆว่าไม่ยอมไม่ยอมเลยยึดอยู่อย่างนั้นน่ บางทีเป็นบุคคลเรา ย, ยึดอาฆาตบุคคลยึดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมจะอ่อนจะ น, อน้อมจะสัมพันธ์ไม่ได้เข้ากันไม่ได้มันเป็นแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเหมือนกับคุณถ้าคุณเคยเป็นช่างนะคุณจะสวมอะไรลงไปในช่องนี้ร่องนี้นี่นะไม่ว่าจะเป็นแง่เป็นแง่งอย่างใดที่มาติดอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณสวมไม่เข้าเลยมันจะแง่งเล็กแง่งน้อยยังไงก็ตามใจคุณสวมไม่เข้าชั้นใด คุณต้องหายมันเจอมันมีส่วนใดที่มันไปติดอยู่แง่แง่งตรงไหนมันสวมไม่เข้ามันสวมไม่เข้าต้องเฉอะมันออกมันถึงจะสวมเข้าชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเผื่อว่าไม่รู้ตัวแล้วก็พยาบาทอาฆาตจนยิ่งอยู่รวมกันรวมกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราจริงๆนะเราถือนะมันไม่ธรรมดาบอกให้ก็ได้ว่าอาจินไตาบางทีมันไม่ได้พยาบาทกันชาตินี้ชาติเดียวเราจะบอกให้ มันพยาบาทกันมาไม่รู้กี่ชาติด้วยจะบอกให้นี่มันเป็นอจินไตนะกรรมวิบากแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวตั้งๆที่มันไม่น่าถือสาเลยคนนี้คนอื่นนะยอมเขาได้อภัยเขาได้หมดลักษณะเดียวกันนี่นะไม่ถือสาคนนั้นคนนี้ลักษณะไม่ได้ลักษณะต่างกันหรอกเดียวกันไม่ถือเขาได้ต้องไม่รู้กี่คนแต่คนนี้ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมมันไม่ยอมให้ตายยงไงก็ไม่ยอมมันยิ่งคนนี้มีลักษณะเด่นกว่าตัวอีกหลายอย่างด้วย เซตอีด่างอยู่ตรงนั้นจมขี้จมโคลนอยู่ตรงนั้นเห็น อ, อยู่ในพวกเรานี่ยออไม่รู้จะแก้ไงอาตมาแก้ไม่เก่งเห็นอยู่ในพวกเรานี่มีหลายคนด้วยเ อ, อ๊ะทาไมนะไม่ปลดป่อยไปคนอื่นบางคนนีเขาร้ายกว่านั้นด้วยเขาร้ายกว่าคนที่ตัวเองพยาบาทอยู่นั้นยไม่ยอมปล่อยอยู่นั้นไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมอ่อนน้อนไม่ยอมเข้ากันเข้ากันไม่ได้แต่คนอื่ น, นเขาแรงกว่านั้นเร็วกว่านั้นร้ายกว่านั้น เฉยไม่ถือซาเลยเหมือนกับคนเป็นพระอรหันเนี่ยเลยกับคนอื่นนะคนโน่นนี่นี่ไม่ถือไม่ถือยังไงก็ไม่ถือได้สบายมากเอ็นดูเขาเสด้วยซ้ำแต่คนนี้เราไม่ได้เลยนิดก็ไม่ได้น้อยก็ไม่ได้นิดก็เป็นใหญ่ เขาแสดงท่าทีลีลาอะไรกับตัวเองนิดนึงก็ดูมันโอ้หึงทําไมทําชั้นปานชั้นนี้ทําชั้นปานชั้นนี้โทเอ้ยมันทําไมมันถึงป่านนะั้อาตมาคนกลางนี่ดูอยู่พวกเราเนี่มาฟ้องมาอะไรอาตมาบ้างบางทีไม่ฟ้องหรอกลักษณะเป็นแล้วไม่ฟ้องหรอกแต่อาตมาเห็นแล้วเนี่ยเกิดกระทบกับคนนี้ ก, กับ น, นีก้ก็ไอคนเก่านี่แหละไออย่างเงี้ยทุกทีและอย่างเงี้ยไม่ยอมปล่อยอยู่นั่นแล้วไม่รู้จะ ตายคาไปถึงไหนก็ไม่รู้ทาไมถึ ง, งโง่ดักดานก็ไม่รู้ไอ์ฉลาดอื่นสารพัดบางคนฉลาดฉลาดฉลาดอื่นแต่ไอ้โง่อยู่ตรงนี้เหมือนกับไอ้ที่ว่าเนี่ยที่จะสวมปลอกสวมท่ออนันนี้มันแง่งนี้แง่งเดียวแล้วแง่งนี้เดียวของคนนี้เท่า น, นั้นเองแต่โอ้โหมันแข็งเหลือเกินแข็งยิ่งกว่าเพชรแข็งยิ่งกว่าอะไรไม่ยอมเย่ะไม่ยอ ม, ไ ม, ยอมไม่ยอมงอไม่ยอมอ่อนไม่ยอมยุบเลยอยู่ตรงนั้นนะยึดมันอยู่ตรงนั้น่ะอัตมาบอกแล้วว่า ต้องล้างต้องปล่อยมันไม่ใช่วิบากธรรมดาก็ด้วยนะมันไม่ใช่วิบากธรรมดาก็ด้วยอย่างเงี้ยเพราะเพราะมันเป็นจริงๆนะและถ้าแปลว่าเราไม่ปลดปล่อยเดี๋ยวนี้กําลังเป็นนักศึกษาแล้ะกําลังเรียนรู้เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่รู้ตนแล้วก็ไม่ยอมรู้ตัวไม่ยอมแก้ไม่ยอมไขบางคนรู้ตัวแล้วแต่ก็ไม่ยอมอยู่นะรู้ว่าไอ้คนนี้เราไม่ได้รู้นะยิ่งเรารู้ว่าคนนี้เนี่ยเราถือสาเขามากมากเรายึดเขามากมเป็นครูอาฆาตอยู่มากมาก <L an és> ต้องเรียนจริงๆเลยอ่านจริงๆแล้วเราจะรู้ตัวว่าโอ้โหเล่านี้โง่งจริงนะที่จริงเขานิดเดียวเท่านั้นเราถือไปตั้งเยอะตั้งแยะแนะ่คุณไม่รู้ตัวหรอกกิเลนมันไม่ได้บอกคุณนะบอกฉันทําตัวใหญ่แล้วนะนี่เล็กๆแต่ฉันเล่นมันตัวใหญ่นะฉันเล่นดิเกเป็นตัวใหญ่ให้คุณดูมันไม่บอกคุณหรอกมันไม่บอกจริงๆกิเลนเนี่ยมันไม่บอกตัวนะทีนี้เราเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมีหลายคู่หลายคนอันนี้อาตมาก็บอกแล้วมันเป็นอจินไตยโดยมันเป็นคู่อาฆาตกัน เนี่ยว่าแต่บางคนบางคนยังไม่ต้องทําอะไรล้อเห็นหน้ากันเท่านั้นน่ะเอ้คนนี้เนี่ยมันอยากจะซัดเลยนะสอนชินไม่กินกันเลยเอ๊ะมันไม่ชอบหน้าเลยยังไงก็ไม่ชอบหน้าเขาทำดีดีคนอื่นเขาบอกว่าดีกันทั้งนั้นเลยคนอื่นเขาบอกว่าดีทั้งนั้นเลยแต่เรามองยังไงมันก็ไม่เห็นดีสักอย่างเลยมันอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดมันกวนตาโยนตาไปหมดเลยไม่อยากอยู่ได้ไม่อยากเห็น ยิ่งเขาชมเชยว่าดีมันยิ่งเสพแสบใจโอ้โหเป็นชมมันดีได้ยังไงวะมันยิ่งหนักหนาสากันเลยมันเกิดมันมีมันเป็นแต่จะมีจะเป็นอย่างไรแล้วเราต้องล้างต้องละต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้ได้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนให้มันยิ่งแข่งดีกันในหมู่ในฝูงอยู่ใกล้อยู่ชิดนี่แหละมันเป็นแบบฝึกหัดที่จะต้องทำทุกวัน ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีวิริยะอุตสาหะและจะต้องขนขวายด้วยวิยญาว่าจะหมายขนขวายทั้งในด้านการงานขนขวายทั้งในด้านสัมพันธ์ขนขวายทั้งในด้านที่จะกอบก็กอบก็ ก, ก, ก, ก, ก, กขึ้นมาจิตวิญญาณเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเกิดมีอะไรเกิดจิตขึ้นมาอย่างหยาบๆ่ยไหโอิมันเกิดไปถือสาไอตะกูลนมระ ที่เป็นพ่อของไอ้เคโกะกับไอ้เจ้าพี่ชายเคโกะนี่ยซัดไอ้พี่ชายยังไม่พอไอ้เคโกะก็มาเป็นหนามแหลมอยู่ตรงนี้ออพระหุทาหมู่ฟูงหมู่กลุม่มทั้งหมดเลยรวนเลยลักบี้ทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าฝีมือก็เหนือกว่ากําลังใจก็เหนือกว่าแต่อะไรแพ้เลยแพ้มาอะไร ทำไมถึงแพ้เอโกเขาชำระอไม่ใช่เกนจิเขาชำระพวกลูกศิษย์อะไรชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันกิเลสความยึดความติดถือสาหึดท่มันไม่รวมกันมันไม่รวมกันมันไม่เป็นหนึ่งเดียวมันไม่เป็นวันมันไม่เป็นเอโกมันไม่เป็นเอกภาพมันไม่ all for one เสแล้วมัน มันไม่ใช่สภาพลงรวมกันได้เพราะฉะนั้นไม่มีพลังไม่มีการเกิดสัมพันธ์ไม่มีการเกิดความสามารถความชนะความอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเกิดการเจริญทําลายเนี่ยเราจะมาสร้างความกว้างเกลืออันนี้เราจะมาล้างตัวร่างตนอันนี้ทุกคนในที่นี้ได้ดีมาบ้างแล้วทุกคน แต่ไม่เจริญในลักษณะนี้แต่ไม่หยาบอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ก็เยอะไม่หยาบไม่แรงเนี่ยไม่หยาบอย่างที่อาตมาว่ามันพอยอมได้บางครั้งบางคราวไอ้ส่วนบางคนมันยอมกันไม่ได้เลยเนี่ยต้องรู้เถอะทุกของใครสมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าคนนั้นเขาเลวจริงแล้วเขาก็ทํากับเราจริงมาสมมติว่ามันเป็นวิบากด้วยเปเจ้าชาติแต่ปางก่อนตอนนี้มันมาแก้แค้นคุณต้องให้เขาแก้แค้น ถ้ามันเป็นวิบากจริงตรชาติปังก่อนเราสัตว์เขาเหลืกเกินชาตินี้มาเขาได้ทีแล้วตอนนี้จะด้วยอะไรกันแล้วแต่ด้วยตําแหน่งฐานะมาเป็นพี่คุณเขาก็สัดซัดคุณต้องยอมเอ๊ทําไมนะเราก็ดแีแสนแสนดีแล้วเขาก็ยังซัต์เราอยู่ยอมเสียคุณรู้หรือว่าชาติแต่ปางก่อนคุณไปทําอะไรมายังไงแค่ไหนคุณไปผูกไปพันไว้ตอนนี้เป็นโอกาสของเขาแล้วเขาจะต้องสัตว์คุณแล้วเมื่อกที่อาตมาบอกว่าเป็นงูเป็นควายมาใช้หนี้เขาเนี่ย เจ้าของงวเจ้าของขวาก็ซัดเอาไปเธอก็อย่อ ง, งอไองัวขวายพวกนั้นก็ได้ใช้นี่ไปได้ใช้บุญไปได้เป็นบุญไปงอให้กินแต่ฟางทำนาให้ไม่ได้กินเม็ดข้าวกินแต่ฟางดีไม่ดีฟางังไม่เกี่ยวไม่ให้กินเลยน่นไปแทะเอาตามท้องนุ่งท้องนาบางทีก็ไม่เอาปล่อยให้ไปแทะผูกเอไว้ที่ตายนี่พร้อมกระโลกระโลกเลยซับถ้าไปเจอ เจ้าของที่มันทวงนี้จัดจัดไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยดูใช้แต่งานผูกไว้ตายบานตายถุนไปเรื่อยๆจะให้ออกไปฟางก็ไม่ให้กินแล้ให้ไปแทะหญ้า ก, กินเองไปผูกที่ร้านนนนี่อยยังแทะกินเองได้บ้างป้าไม่ดมูดรามดู ด, ดีเจอ้าของก็ไปเล่นสมเนเพรเทมาไม่เอาใจใส่ผอมโลงผอมลงแห้งเหี่ยวลงจะบอกว่านายอยากกินหญ้าแล้วหนายหิวจังก็พูดไม่ออก ควายแน่นอนมันก็ไปมีบากของมันไปเจอเอาไอ้นาอย่างนั้นก็มันก็ใช้หนี้กันหนักหนาสากันทําไมมันต้องไปจดตกอยู่ก็เป็นงวควายของไอ้คนใจได้ใจดําอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ไม่รู้มันไปยังไงมาไงนะมันก็ไปของมันอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะเราก็ต้องโคจรมาเจอกันพบกันอยู่กันฝากโลกคนละประเทศมันยังมาเจอกันเลยเนีมาซัดกันก็มี เพราะงั้นอยู่ในประเทศไทยโดยกันอยู่ที่นี่แค่นี้มันจะไปมีปัญหาอะไรก็มาเจอกันมาเป็นฐานะนั้นฐานะนี้อย่างนั้นอย่างนี้ฐานนั้นฐานนี้ทีฐานนั้นทีฐานนี้ฐานะนั่นแหละได้เป็นฐานะนั้นฐานะนั้นนี้เป็นโอกาสเป็นช่องเป็นช่วงของเขาสัตว์ไปสัตว์มาเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องแต่จะยึดมันถือมันที่จริงควรจะลดละกิเลสของเราทำไมถ้าอย่างนี้ยังไม่ยอมแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ต้องได้ยอมกัน เอาทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นกรรมวิบากแล้วนะบอกเป็นอย่างนั้นทีนี้สมมุติว่าเขาเลวด้วยคนคนี้มีทั้งฐานะสูงกว่าเราแล้วก็เลวด้วยก็ก็เป็นของเขาเราก็อ่อนน้อมยอมไปหัดยอมเราก็ได้แบบฝึกหัดของเราว่าเรายอมได้ไหมแล้วมันก็ไม่มีทางเลี่ยงด้วยไม่มีทางไปด้วยเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่ก็เป็นพี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้แบบนี้คน น, คนี้ก็แกล้งจังเลยแกล้งถ้าเรายอมได้ก็เป็นสมรรถภาพของเราวางได้ก็เป็นสมรรถภาพของเรา นะก็ยังไม่เห็นถึงขั้นเลือดออกต้องชกกันถึงด่ากันไม่หยาบถึงขนาดว่าเออคนอื่นดูแล้วไอ้นี่มันแกล้งกันจริงจริงนี่หว่าก็เปล่านะไอ้นันนินดหน่อยไอ้น้อจะอ่าจะบอกว่าใช้งานมากจูจีจุกจิกเราเข็นเราอย่างโองย่างนี้นอเบ่งเบ่งใหญ่ๆทับถมกับเราเออเธอเบ่งไปเธอเป็นไอ้กบพองลมเพื่อที่จะไปพองให้มันเท่ากับไอ้งัวตามนิทานอิศพ เบ่งไปพองไปเขาจะใช้ก็ทําสิ่งงานแล้วก็ดีเขาจะเบ่งก็เบ่งไปที่ปเดี๋ยวมันก็แตกพองลมเองถ้าเขาเลวเราหรือไปเลวกับเขาเราต้องหาได้แบบฝึกหัดเราต้องหาจ้างเขาทําก็ไม่ได้คุณเอาลอยล้านห่าลอยล้านมาจ้างเขาทําอย่างนี้ให้เราเป็นแบบฝึกหัดแกเราก็ไม่ได้มันกําลังเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้มันไม่ใช่ไปสมมติเล่นละคอรอยู่บนเวทีว่าสมมตินะตัวนี้เป็นตัวกงแล้วกําลังด่าคุณ แม้ทำท่ากำลังชกคุณมันไม่ชกจริงหรอกไอ้ละครน่ะนี่มันชกจริงๆนะนี่มันด่าจริงๆนะนี่มันข่มเราจริงๆนะจ้างเขามาข่มจริงๆนี่ทำเท่าไหร่เอาจ้างกี่ร้อยล้านมันจะเหมือนจ้างกี่ร้อยล้านมันจะเหมือนนี่เป็นแบบฝึกหัดจริงที่เราได้แล้วบุญของเราแล้วหนอที่เราจะได้ลดปล่อยอปจานามัย นี่แหะมันติดอยู่ตรงนี้บุญกิริยาวัตถุสามนั่นก็ทําไปเถอะพอทํำมาได้ขีดนึงแล้วนี่จะต้องเพิ่มบุญกิริยาวัตถุเจ็ดนี่อีกจริงๆไม่เพิ่มบุญกิริยาวัตถุนี้ก็แค่นั่นแหะบุญหมดหมดบุญอยู่ตรงนั้นนะ่ะดีไม่ดีตกไปเลยเห็นมันหลายองค์หลายคนแล้วทั้งเป็นพระด้วยหมดบุญจริงๆไม่ลงอย่าว่าจะไม่ลงกับพวกคุณเลยไม่ลงแม้แต่อัตมาเมื่อไม่ลงกับอัตมา ก, ก็หมดบุญแน่แน่ หมดบุญเนนแน่ไม่ลงไม่ยอมไม่อัตมาหาว่าอัตมาเข้ากับเพื่อนพระอื่นไม่เห็นแก่เขาไม่เข้าข้างเขาข่าถูกข่าเก่งค่าดีถือตัวไม่รู้ตัวเป็นมานะถือดีอต่า ง, า ง, างๆนั้นหรือไม่ก็ถื อ, ถอหมู่ถือพูงหมู่ฝูงฝูงมันไม่เห็นเราเลยไม่เห็นความดีของเราโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่สารพัด ส, สารเพ <น>เป็นเหตุเป็นปัจจัยมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันเยอะเหตุนนท์เหตุนี่บ้างบวกเข้าบวกเข้าบวกเข้าก็เอาแต่อันนู้นนี่มาบวกเข้ามันก็พาเราไปบางคนจิตใจจริงๆไม่อยากไปนะแต่กิเลสมันพาไปเพราะไม่รู้อาตมาก็ไม่เก่งไม่เก่งที่จะทํำยังไงให้เขารู้ตัวให้เขาแก้ไขได้อาตมาก็รู้อยู่ว่าเออเราก็ไม่เก่งเท่านี้บางคนก็แมไม่อยากให้ออกหลายคนก็บอกกันไว้แต่ก็พยายามช่วยไม่ช่วยไม่ได้อาตมาก็เก่งเท่านี้ ยังรู้สึกตัวอย่ว่าเอเรานี่เมื่อไรจะเก่งเชี่ยวชานเก่งจริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามเถอะไอ้จะเก่งยังไงก็เก่งขนาดพระพุทธเจ้ายังเอาพระบางรูปไม่อยู่ต้องศึกต้องหาไปอะไรต่างๆนาะนาะมันก็เป็นวิบากของความโง่ของเขาด้วยของเราด้วยวิบากกันไปตามไปตามเส้นทางบ้างเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันแหละ แต่เราก็ต้องจะไปถือว่ามันเป็นตัวเขาน่ะไม่ดีเองแล้วเรายาก็ดีอยู่เรื่อยๆไม่ได้เราต้องถือว่าเรานี่ไม่เก่งไม่สามารถไม่ดีเราต้องพยายามอีกเหมือนกันอย่งอาตมาก็ต้องพยายามจะทํำยังไงถึงจะรู้ยิ่งกว่านี้มีอิทธิวิธีกว่านี้มีความสามารถกว่านี้ที่จะช่วยค่อยพ้นช่วยค่อยพ้นได้นี่เป็นหน้าที่พระโพธิษัทต้องศึกษาอันนี้ศึกษาจริงๆเลยพยายามทุกวิธีทางเลยตรงตัวทางอ้อมยัดโอสถยาเข้าในขุมขนยัดอาหารทิพย์เข้าในขุมขน ตลอดเวลาทำมีนิดมีหน่อยเพล่ไม่ได้ละเพลอัตมาก็ยัดเรื่อยล่ะนิดหน่อยทางนั้นเชิงนี้ให้รู้ตัวไม่รู้ตัวส่วนมากก็ไม่รู้ตัวละไปมัวรู้ตัวรู้ตัวจะไปทันหรือมันไม่รู้กี่คนเรียกเรียงหน้ามาให้รู้ตัวได้เลยไม่มีเวลามีโอกาสเมื่อไหร่ก็สอดแทรกไปเรื่อยนีย่นั่งอยู่เดียวนี้ก็สอดแทรกให้ไม่รู้กี่คนเนี่ยใครรู้ตัวก็ว่าคนนั้นเออตอนนี้ทันปอดเราแล้วน่ะ เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยแหมเป็นฐานะเป็นพี่แล้วก็แกล้งน้องทำไปไอ้คนนั้นมันงโง่เองคนนั้นไม่รู้ตัวเพราะนั้นระวังไว้นะระวังด้วยะเป็นพี่เขาแล้วคมเขาเบ่งเขาแกล้งเขาสารพัดอย่างน้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเราก็ต้องรู้ตัวไอ้คนที่ทนไม่ได้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยต่างคนต่างทำทั้งสองคน one for two ทั้งสองคน ตัวเราแต่ละคนนั่นแหละทำให้เพื่อทั้งตัวเขาและตัวเรานี่แหละ one for all เราทำตัวเราหนึ่งนี่แหละเพื่อจะได้เข้ากันได้สองคนสามคนสี่คนหคนก็เข้ากันรวมกันหมดแหละทุกคนทำทุกคนก็นรวมกันทั้งหมด all ego pihuṭa paḥuṭa hoṭi หนึ่งเดียวทำให้เป็นหมดทุกคน ego ิ i h u ṭ a paḥuṭa h o ต i มันจะเข้าได้หนึ่งเดียวทําให้เป็นเหมือนเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเข้ากันได้ทุกคนรวมกันได้ทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพออหรือหุตตวะพระหุธาทั้งหมดหมวลมากส่วนใหญ่ให้เข้าเป็นส่วนใหญ่ได้อย่างงี้แหละเพราะงั้นจุดที่มันคาอยู่เนี่ยมันก็คือคาตัวนี้เราเข้ากับคนอื่นได้แต่คนนี้คาอยู่มันก็ไม่ได้เรื่องจริมันก็ติดแงกอย่างงะ าะวงรักบี้จึงไม่ไม่รอดแพ้ไปไหนก็ไม่รอดทำอะไรก็ไม่เจริญหมดลำบากเราเป็นสังคมหมู่สังคมกลุ่มแล้วก็แก้ไปเพราะงะั้นจุดอับปัจจายาใหมายจุดน้อมตนถ่อมตนไม่ได้มีความหมายแหมลีลาเขาน้อมเก่งนะอ่อนน้อมอ้ยแต่ใจนั้นยังกาอะไรอดี จะบอกว่าเพชรมันก็ไม่น่าจะยกอย่าง ต, ตัวอย่างเป็นเพชรใจกระด้าง <c oughs> เหมือนหินโสโครกเออดีกระด้างมันหินโสโครกใจกระด้างดูข้างนอกอทาอ่อนช้อยอ่อนช้อยเดี๋ยวไปอยู่ก็ไม่ช้อยนางรำาทนี้อ่อนช้อยข้างนอกแต่ข้างในใจกระด้างอย่างนี้ไม่เจริญ ตัวใจเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องเข้าหาจิตเจตสิกให้จริงแล้วรู้ตัวให้ทันรู้มันไม่รู้ง่ายๆบอกแล้วมันไม่รู้ง่ายๆเรามารู้ตัวง่ายมันก็ดีขนาดคนรู้ตัวง่ายแล้วก็ยังต้องล้างต้องละออกเลยรู้ตัวนะแต่ก็ยังต้องล้างต้องละต้องยอมจริงๆต้องพยายามจริงๆเข้าไม่ได้คนนี้มันเป็นยังไงเขาเป็นผีเป็นสารยังไงเขาไม่มีความดีเลยเลยมองหาความดีของคนที่เราเกลียดเราชังให้ได้แล้ววางความที่ไม่ดีของเขาต้องเอา คําสอนของท่าพุทธทาสมาเขาบอกว่าอะไรท่านบอกว่าอะไระความดีอะไรเขามีอยู่อะไรความรู้ความชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยอะไรนะนเนีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาอ่าต้องเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่อ่าเป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูเออคนนี้จํากลอนได้ อะอะอะไรนะอ่าอันนี้อาตมาไม่เห็นด้วยส่วนที่ชั่วก็จงรู้ของเขาละวางเลยเพราะเราจะไม่เอาส่วนชั่วของเขาก็ให้รู้เราเรียนรู้ชั่วรู้ดีทั้งนั้นบอกว่าส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยโง่ตายเลยแล้วก็เลยไปเลยเราเลยไปทำอย่างเขาซะอีก เพราะเราไม่รู้ว่าชั่วมันลีลายัางไงอาการยังไงนิมิตหมายยังไงเราไม่รู้ไม่ได้รู้ชั่วก็รู้แต่อย่าไปเพ่งโทษเขาชั่วเป็นของเขาบอกแล้วคุณต้องแยกเราแยกเขาให้ออกนะเขาทําชั่วชั่วเป็นของเขากรรมมัสโกมหิของใครของมันเขาทำหมดของเขาเราเราไม่ทําสิเราอย like. ่าไปทำบอกเราไม่ทําชั่วเรายิ่งรู้ชั่วเอออย่างนี้มันเป็นชั่วเราอย่าทำนิดนึงก็ไม่ทําน้อยนึงก็ไม่ทําให้ได้มันชั่วอย่างนี้มันชั่วเรายิ่งเป็นตัวอย่างเห็นอยู่รัดัขอบคุณขอบคุณไม่ใช่ไป ถือเขาไปสาเขาไปเราไปเพ่งโทษเขาไปว่าเขาไปด่าเขามันน่าสงสารคนที่เขายังมีชั่วมีความไม่ดีมีความไม่เจริญมันน่าสงสารเขาต้องหาไม่ใช่มันน่าจะไปเข็นไปฆ่าเขาแล้ว ไ, ไปอาฆาตมาดร้ายเขาเขามาทากับเราก็ตามมันก็เป็นลักษณะชั่วช่วมันก็ทำกับคนที่เขาจะทำยิ่งมันอาฆาตมาดร้ายกันมันก็ทำกับคนอาฆาตมาดร้ายไอ้ชั่วน่ใช่หม มันก็ทํากับคูอาฆาตแล้วไม่ให้มันมาทำได้ไงแล้วบอกเออมันอาฆาตเราเว้ยไอ้ตัวนี้ไม่ให้มันน่าสงสารในคนนี้มันไม่ปล่อยอาฆาตมันไม่ปล่อยพยาบาทโอ้แล้วมันก็เล่นก็เราแล้วมันไปอาฆาตกันเมื่อไหรเราก็ไม่รู้ตัวซะด้วยมันแต่ปางก่อนนี้ยังไงก็เอาโมเมเราไม่รู้ก็ยกประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองกันแล้วกันมาสมมุติว่าเออเราไปทําบาปทํากรรมกันมันมาทั้งร้อยชาติร้อยปางตอนนี้มาเจอกันมาหลีกกันไม่ออกซะแล้วมาเราจะตายซะแล้วเออโหัวสิหสิ ทำใจให้โหสิจริงๆไม่ใช่เอาแต่พูดไม่ใช่แต่ไปเปล่งแต่เมตตาอ่อาอโหสิเอาภัยอะไรอยู่เปล่งคาถาวาจาอยู่ใช่ไม่ใช่ทำใจในใจให้วางอย่าไปถือสาให้มันตายลองดูซิพวกเราอาตมาไม่เห็นว่าหยาบคายอะไรกันนักหนาจริงๆนะถ้าหยาบคายอาตมาจะเห็นง่ายนะนี่มันก็ไม่หยาบคายอะไรนักหนา เออเขาจะหยาบคายข่มก็ตามดูถูกก็ตามแกล้งก็ตามก็ไม่เห็นทำอะไรกันจัดจ้านอะไรนักหนาะมันไม่มากหรอกแต่เรานี่แหละมันถือตัวมากมากนิดเดียวเทนะ่านั้นก็มันขม่มเรามันดูถูกเรามันแกล้งเรามันได้ท่าได้ทีมีฐานะใหญ่กว่าเราแล้วมันทําเราก็ต้องยอมยอมจะตายจะตายก็าตายแน่ดิเพราะเราเองเราถือ ไม่ย้อมไม่อับไม่มีอปจายนามัมไม่อ่อนไม่ท่อมไม่น้อมไม่ลด<บ>เป็นบุญของเรามากแล้วที่เราได้แบบฝึกหัดที่เราได้มีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีทั้งผู้แนะนำชี้บอกเหตุบอกสัญญาณ มีทั้งตัวแบบฝึกหัดมีตัวโจทย์ที่จริงแล้วไม่ใช่โจ์หยาบคนสูงมีมิดดีสหายดีนี่เป็นโจ์ละเอียดฉันสูงนะคนชั้นสูงนะโจ์ละเอียดนะชั้นสูงนะบางทีลีลาเขานี่เหลือกินเลยแต่เราก็รู้เรารู้แล้วเราก็ถือเราก็สวยถ้าเราไม่ถือระวังได้เราก็เฮงเราก็ได้ดีตัวใครก็ตัวใครจงรู้ให้ดี เพราะฉะนั้นพยายามขนขวายอุตสาหะเข้าขนขวายอปจา ย, ายนามัยมายแปลมันห ย, ยาบกว่าขนขวายในการงานเพราะฉะนั้นไม่มีการงานในการปฏิบัติธรรมด้วยมันรวมกันบอกแล้วว่าธรรมะของพระเจ้านี่ในการงานที่การกระทํางานร่วมกันนี่แหละยิ่งอยู่กับคูอาฆาตนี่แหละยิ่งปฏิบัติธรรมได้มาถ้าได้ชนะยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองคําแข็งกล้ายิ่งกวเพชร เจริญงอกงามวาววามชดช่วงยิ่งกว่าทองคำไม่มีหมองไม่มีมวลหอกทองคำน่ะอยู่ที่ไหนมันก็ใ ส, สยอยู่งั้นแหละทองคำเนี่ยธาตุธาตุดีของทองคำเป็นอย่างนั้นเพชรเขาก็เอาธาตุดีเขามันคือแกล่งมันแกล้งนีมันได้จริงๆตรงนี้แหละยิ่งเป็นคู่อาคตาิกันยิ่งเป็นคู่กระทบกันแล้วก็เอาเลย ถ้าเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวได้ว่าเอเอกนนั้นนี้คนนั้นคนนี้ก็จะทํำโน่นนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเราแวงเพื่อนฝูงคนนั้นเข้าข้างคนนี้ช่วยเหลือกันดีไม่ดีหาอัตมานุนเข้าข้างแมตัวเองทำอันนี้เสร็จแล้วก็ขู่าขาดคู่นี้เขาทําดูมันเขาทําแล้วแหมอาจารย์นี่เข้าข้างเขาไปหมดเลยเขาดีไปหมดเลยฉันไม่ดีเลย น้อยใจแล้วก็ทุกเศร้าใจเออสมน้ำหนาดีเนะาะทำไมมันทุกตัวเองเศร้าใจตัวเองน้อยใจตัวเองใครน้อยใจเสียใจทุกทุกคนนะ่ยเสียใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจอ่ะธรรมชาตาชิภาษาพงนิวมันของตัวเองใจของเราไปไปว้าไปแหว่งกันทำไมมันเต็มเต็มอยู่ที่ใจรู้มีธาตุรู้รู้มันศึกษาเอออันนี้มันกิเลส ข, ของเรานะอันนี้อ่า จะเป็นกิเลส ข, ของเขาก็ตามเราอยากให้เป็นกิเลส ข, ของเราสิต้องขนขวายศึกษาชําระคาว่าวยาวัจจะยก็ชําระชําระปฏิบัติธรรมมีกรรมมันทั้งทำงานการทางโลกมีทั้งงานการตัดกิเลสไปพร้อมกันของพระพุทธเจ้ามันดีตรงนี้เรามันไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพเลยของพระพุทธเจ้ามันจเจริญทั้งนอกทั้งในมันจเจริญทั้งสมรรถภาพ มันจเจริญทั้งสภาพอิสระเสรีภาพคือล้างกิเลสเออกของเราและมันจเจริญทั้งความเป็นมิตรสหายพ ร, ราดรภาพเป็นพี่เป็นน้องเห็นไมมันจเจริญจริงๆสุดท้ายมันก็สันติมันเป็นความสงบทั้งนอกและในสงบอย่างมีพลังงานสงบอย่างมีสมรรถภาพสมบสงบอย่างมีความสามารถเที่ยวชารังสรร เป็นบทบาทชีวะอันเต็มรูปแข็งแรงแ ก, ลกล้าอาานชาญฉลาดคล่องแคล่วประสิทธิภาพสูงสร้างสรร น, นี่คือความเจริญที่ไม่มีอะไรตกต่ำสงบด้วยนะส ง, สงบสงบแต่ก็มีสภาพไอเสียงเครื่องยนต์นี่มันดังแต่มันก็เป็นบทบาทของความดังที่มันมีการงาน ถ้าเครื่องยนต์นี้มันดีนะทุกอย่างมันได้สัดได้ส่วนของมันหมดเลยแล้วมันรื่นมันมีที่รองที่รับอะไรกันอย่างได้จังหวะจากคนหมดเลยนะเสียงดังก็น้อยลงน้อยลงไม่มีเสียงขบไม่มีเสียงว่างจนกระทั่งตกมาดังปุ๊กแป๊กปุ๊กเป๊กตรงนั้นตรงนี้ทุกอย่างหนุนเนื่องอยู่ฟิตอยู่คลือกันพอดีทุกส่วนเลยต่างคนต่างโยกต่างหมุนต่างเนื้อเนื่องหนุหนกันอย่างไม่มีหลวงไม่มีไม่มีคับพอเหมาะพอดีหมดเลยนะเครื่องยนต์เครื่องนี้จะหมุนได้เร็วเต็มรอบ ทําปฏิกิริยาเต็มที่ไม่มีเสียงเลยเบาสนิทเลยเพราะฉะั้นรถยนต์เครื่องดีนี่ไม่มีเสียงแต่โอ้โหรอบเร็วรอบจัดคล่องไม่มีร้อนด้วยเพราะไม่มีอะไรขัดสีไม่มีอะไรหลวมที่จะต้องมาตกแปะดังปกอะไรนิดหน่อยสายไหลปกหลายช่องหลายช่ว ง, งที่มันว่ามันตกมันไม่ได้จังหวะมันก็เสียงดังหลายเสียงดังกวนดังคมคลามกุมครามเท่านั้นเองแต่นี่มันพอดีพอเหมาะเลยคือมีอะไรรองอะไรรับอย่างนุน่นเนื้ออ่ อ, อนนิ่ม จะรวยขัดกันก็ไม่ขัดไม่มีอะไรโดอะไรเดไม่มีอะไรที่จะขัดสีเกิดความร้อนไม่มีความร้อนร้อนก็ไม่จัดเย็นนานรอบเร็วลื่นรอบไม่มีอะไรติดอะไรขัดเสียงก็ไม่มีแต่เร็วและประสิทธิภาพทําการงานสูงมากเบาสนิทไม่ร้อนไม่พังง่ายไม่เสื่อมง่าย ฉันใดก็ฉันนั้นคนก็เหมือนกันไม่มีกิเลสส่วนใดมาขัดมาสีทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอสมประสิทธิภาพก็สูงก็เงียบก็สงบแต่เราจะไปบังคับให้วัสดุมันไม่เสื่อมไม่ไม่ไ่ว่าไม่ไม่ร่วงไม่ลนไม่ให้มันดังไม่ด่ารอกไม่ไม่มันไม่ดังพราะเก่าๆมันก็ดังรถแก่ๆก็ดังครุครามุมขามนัดนั่นก็รวมนี่ก็โผล่นี่ก็เพลงแล้วก็หลัวก็ดังอะไรีในไม้ก็เบา ไม่จริงๆมันยังไม่ได้ขัดสีที่ถูรอบมันก็ดังหน่อยพอได้รอบขนาดประมาณหนึ่งแล้วนะขัดไอคคกกด้คกเศษทีกาคีอะไรออกแล้วนะหมดรันอินแล้วเนี่ยอื่งนิ่งเงีงยบเสียงไม่ค่อยร้อนเลยเบาสนิทประสิทธิภาพสูงวิ่งเร็วเท่าไรก็ได้รอบก็สูงเย็นไม่ร้อนนี่เป็นต้นแต่พอมันเสื่อมแล้วมันก็ต้องดังเราจะไปห้ามไม่ได้ มันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีของที่เป็นอย่างนั้นบ้างของที่ไม่ค่อยเรียบร้อยบ้างมันก็มีอยู่ในสังคมมนุษย์ก็เหมือนกันบุคคลคนแก่แล้วทำให้โนอนในนี่ก็อชาเป็นภาระอันนู้นในนี่ล่วงอันนี้อนี้ลนมีเสียงดังมีอันนูนขาดมันี่มีนี่เกินมีอันนี่แตกมีนี่เสียหรือคนที่ยังไม่เก่งยังไม่คล่องยังไม่แคล่วมันก็เป็นบ้างมันก็มีอยู่ในสังคมพวกเราแต่ถ้าเผอว่าพวกเราเนี่ยทำได้อย่างสนิทเนียนขึ้นความเบาความเงียบก็น้อยลงด้วย มันสอดคล้องกันนะอันนี้มันลึกซึ้งอาตมาอธิบายอยู่นี่ผู้มีปฏิภาณคงจะเข้าใจแต่ว่ารู้สึกว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งยังไม่ละเอียดพอที่มันน่าจะอธิบายได้จากระจ่างลึกซึ้งกว่านี้แต่คิดว่าคงพอเข้าใจที่ยกตัวอย่างอะไรแต่ไรวัตถุประกอบนี่นะเนี่ยมันจะทําได้แนบเนียนแล้วจะนิ่งดูสงบอาตมาท่าแปลสันติว่าเรียบร้อยราบรื่นง่ายงาม ที่จริงมันมีเร็วไวด้วยนะที่จริงสันติเนี่ยมันมีเร็วไวแรงด้วยไม่ใช่ธรรมดาสันติยิ่งแรงเร็วด้วยไอเร็วไวเอาละมันอันเดียวกันแรงเร็วด้วยเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเร็วแรงสันตินี่เร็วด้วยแรงด้วยนะไม่ใช่สันติคือเชยดีไม่ดีสันติคือนิง่งซือเซบอร์ือบือเซบอร์ไม่ใช่ มีประสิทธิภาพสูงมากสันติยิ่งมีมวลเยอะๆมากๆแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันเลยนั่นคือสันติแล้วง่ายๆเห็นไหเพราะมันเข้ากันได้เป็น all for one แล้วเป็นทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งเดียวเป็นความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพแล้วมันก็สันติมันไม่มีทะเลาะ ก, กันความเห็นตรงกันเป็นทิฏฐิสามัญญาตามีศีลสามัญญาตาอยู่กันอย่างเมตตา มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมคนนั้นแรงนิดคนนี้เบาหน่อยอะไรก็เมตตากันไม่ถือสากันแน่นอนมันจะไปให้ไม่ไม่ไม่มีแรงนิดไม่มีเบาหน่อยไม่ได้หรอกมันต้องมีแรงนิดเบาหน่อยกันทั้งนั้นแหละบางทีไม่ใช่แรงนิดหรอกแรงมากโดยบางทีมันก็มีมีแรงมากแรงน้อยอะไรก็แล้วแต่ว่าคนนี้แรงไปหน่อยคนนี้แรงไปมากหน่อยอะไรก็มีได้จริงแต่เราก็รู้จังหวะจากคนรู้การเมตตารู้การอาภัยรู้การ แก้ไขกันรู้การช่วยเหลือกันให้เป็นจังหวะเป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนช่วยกันพัฒนากันอยู่สอดประสานกันเรื่อยไปต่างคนต่างช่วยกันไปเราดูตัวเราเราช่วยตัวเราวัน for all เราจะต้องเป็นหนึ่งที่จะช่วยทุกๆคนได้ดีไม่ใช่เราเป็นตัวเหตุแลวเราก็โง่อยู่คนเดียวไม่ใช่เราเป็นตัวที่จะขัดเกลาตัวเรา เรียนรู้ให้เท่าทันเหลี่ยมมุมอะไรที่มาแล้วก็ละตัวตนละให้ได้ละอะไรที่เป็นกิเลสตัณหาละให้จริงละได้ไปเรื่อยๆวัน for all เพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดยิ่งมากคนมากชิ้นได้จริงๆจริงๆแล้วมากเท่าใดยิ่งมากเท่าใดยิ่งเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันแม้สอดคล้องเป็นนันเดียวกันบอกแล้วว่าอโศเราเคยได้รับคําชมเชยเคยยกตัวอย่างแต่แต่สมัยก่อน ที่ไปร่วมงานวัดมหาธาตุทั้งคารวะทั้งพระศิกขาท์อะไรไปที่โน่นแล้วพวกนี้หมายตอนนั้นมันตอนแรกๆด้วยอโศกเข้าไปสัมผัสกับเขาไม้สักถามกันใหญ่เลยนัคุยโอภาปราไซใหญ่เลยเสร็จแล้วเขามาอุทานบอก้พวกนี้มันหัดกันมาอย่างไงมันพูดเหมือนกันหมดเลยเขาว่างั้นเอ้มันพูดเหมือนกันหมดได้ยังไงนะคนไม่พูดเหมือนกันหมดหรอกแต่เขาไม่รู้เขารู้ปฏิภาณของเขาเหมือนกันในไนว่าเออมันพูดทําไมมันสอดคล้องกันหมด ที่จรงมันสอดคล้องมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะคาว่าหนึ่งเดียวมไม่ใช่หนึ่งเดียวพาซื้อเทนตรงนะหนึ่งเดียวแล้วเป๊ะมันอย่างนั้นเลยไม่ใช่มันมีเนื้อหามันมีสารัธรรมันมีแนวทางมันมีอะไรที่หุดมุ่งหมายอะไรมันดูเป็นหนึ่งเดียวกันหมดน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นเอกภาพนะเป็นยูนิตี้หรือเป็นยูนิเวอร์สเป็นหนึ่งเดียวเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเอกธรรมเอกโอธรมโม มันมีสภาพที่สอดคล้องกันไปหมดจริงมันมีลักษณะที่ต่างกันโดยสภาวะอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนตัวหลักใหญ่แนวใหญ่เรื่องใหญ่เหตุใหญ่สาระใหญ่มันตรงกันมันไปด้วยกันหมดเลยไม่คานแยงกันคนก็จับได้คนก็รับเอาอันนั้นได้แค่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างคนละอย่างคนละอันอะไรวันนี้มีแต่สภาวะขัดแยงมันก็ไม่ได้เรื่องจับอะไรก็ไม่ติดคนก็ อ, อะไรก็ไม่ได้เพราะมันขัดแยงมีแต่สภาวะขัดแยงแต่ถ้ามีแต่สภาวะสอดคล้องเป็นศีลสามัญญาตาเป็นทิฏฐิสามัญญาตารับรองผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่โสดาสกาิทาอนาคาอารหันมันมีทิศทางเป็นกระแสเป็นแนวหนึ่งแนวเดียวเป็นรวมประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยทั้งๆ้งที่ไม่เท่ากันแน่แน่มันจะไปเอาเท่ากันเหมือนกันสูงเท่ากัน จริตเดียวกันไม่มีรองในโลกไม่มีจริตเดียวกันก็ไม่มีไม่มีจริ ง, รงๆให้พระพุทธเจ้าเกิดพร้อมกันหมื่นองค์ก็ไม่มีสามารถที่จะทำมันอย่างนั้นได้ไม่มีวัสนาบารมีจริตต่างๆนานาสารพัด ส, สารเพลีลาอิริยบถมนุษย์จิตวิญญาณด้วยมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้แต่มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยรำ โดยการรู้คนนี้เจติตอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างนี้เออเรารู้แล้วเราก็อภัยกันวางกันปลอกกันแม้จะไม่ตรงกับเราเลยแม้คนนี้มันอย่างนี้มันกับเรานี่มันไม่มันไม่ตรงกันเลยมันไม่เคยจติตอย่างนี้เราไม่เราสายเจโตอันนี้สายปัญญาง่ายๆนะแบ่งง่ายๆเป็นสองทิศอื่นๆอีกเยอะแยะใหญ่ไปอีกเยอะแย ะ, ยะแม้ไอ้ปัญญาคนนี้ก็ทำไมมันต้องใช้ปัญญาอย่างนีไนไน้ไอ้เจโตคน น, นี้ทําไมเจโตคนนี้มันถึงอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันได้เจโตกับเจโตก็ทะเลาะกันได้ปัญญากับปัญญาก็ทะเลาะกันได้ถ้าทะเลาะ แต่ถ้าไม่ทะเลาะแล้วมันไม่หรอกเจโตกับเจโตมันจะไปทะเลาะกันอะไรปัญญากับปัญญามันจะไปทะเลาะกันอะไรหรือเจโตกับปัญญาก็ไม่ทะเลาะกันตรวมกันได้ไปด้วยกันได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยู่ด้วยกันลาภธรรมิกาแล้วเราจะมีลาภไม่ใช่เราไม่มีลาภเนีถ้าเราไม่มีลาภเราอยู่ไม่ได้หรอกทุกวันนี้ลาภไม่ใช่เราไปทําเพื่อลาภแรกลาภไม่ใช่เลยไปทำบุญดีเพื่อที่จะได้อโนนท์ไม่ใช่เราทําดีลูกเดียว สิ่งเหล่านั้นจะสนองผลว่าเราทําดีมีบุญเราอยู่ได้โดยบุญทุกวันนี้เราทําดีมีบุญแล้วบุญมาไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปตี ร, ราคาตั้งราคาอย่างโนอย่างนี้เราไม่ต้องไปหวังหวังว่าจะได้อันโน้นอันนี้กลับมาไม่ต้องไปหวังแต่เราจะได้สิ่งที่เราไม่เอานั่นแหละสิ่งที่เราไม่หวังนั่นแหละในสังคมนี้พิสูจน์แต่โลกที่พิสูจน์ทําดีแล้วไม่เอาดีไม่ไปติดดีไม่ไป ย, ยึดดีขอให้เป็นดีจริงเราทำดีดีดีดีไปแล้วผลดีนั้นเป็นกุศลกรรมย่อม พึ่งได้เรามาพึ่งกรรมดีแล้วมันจะอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเอออ้นี่คนนี้ก็มาช่วยมาอะไรแล้วไม่ต้องไปจดไปจำหรอกมันจะให้บทฝึกหัดเรียนรู้เราเองมันจะเป็นความเรียนรู้เรายิ่งจะเชื่อกรรมยิ่งจะเชื่อบุญการชําระยิ่งชําระยิ่งดีการได้กุศลยิ่งทําดีขึ้นไปก็ยิ่งดีสร้างความดีเราก็ยิ่งจะเกิดปัญญาฌานฉลาดไม่ใช่ปัญญาเชโกไม่ใช่ความฉลาดเชโกปัญญาไม่ใช่เชโก ฉลาดเป็นภาษาไทยซะที่ยิ่งฉลาดในอาตมาเคยวิเคราะห์มันมาจากคำว่าเฉลยตนะฉลาฉลาดนี่มาจากคําว่าเฉลยยตนะเฉลายตนะคือทวารทั้ง6กนี่รับรู้แล้วก็รู้รู้ยิ่งรู้ยิ่งจนกระทั่งละกิเลสออกหมดจากทวารทั้ง6เพราะคนใดที่รู้แล้วก็ละกิเลสได้ด้วยทวารทั้ง6นี่แหละเรียกว่าคนเฉลยยตนะได้สามารถที่จะสังวรอินทรีย์ทั้ง6แล้วก็ รู้เท่าทันทวารทั้ง6กเรียกว่ารู้จักเฉลายตนะเพราะฉะคนรู้เฉลยยตนะคนรู้นั้นเรียกว่าคนรู้ฉลาดหรือคนรู้รู้อย่างชลายตนะคุณพูดไปสิฉลาดนั่นแหละชลยยตนะเป็นภาษาไทยร้อยปีพันปีมันก็มาเป็นภาษาไทยภาษาไทยคําว่าฉลาดนี่มาจากคําว่าชลายตนะฉลาดคะ นี่แหละมาจากคำว่าชลายตนะชลาดแปลว่าหมันแปลว่าทวารทั้งหชฉละเนี่ยอายตนะทีนี้มันก็สะกดที่อายตนะก็ตัวตอมันอยู่เนี่ยอยะตัญฉลายะตนะมันก็ต่อสะกดที่มันก็เป็นชลายตนะชลามันก็ออกมาอะไรก็ได้มันจะชลายก็ได้นะถ้ามันเพี้ยนมันเพี้ยนเป็นชลายก็ได้ชลาก็ได้เพี้ยนเป็นฉลาดก็ได้เพราะตัวตอมันมีชลายตนะเดี๋ยคนไทยเราจะสะกดตัวต่อสะกด ฉลาดมันมาจากคาว่าอันนี้คือรู้อย่างรู้เท่าทันทวารอกคาว่ารู้เท่าทันทวารอกนี่แหละคือคำมาเป็นคําไทยว่าฉลาดเพราะฉลาดจริงๆแล้วเลยเป็นคําไทยว่าความเฉลียวฉลาดแต่ฉลาดมันไม่รู้เท่าทันทวารอกมันไปฉลาดเอาเปรียบมันไปฉลาดเชโกภาษาบาลีเขาเรียกอยู่แล้วว่าเชโกคือความฉลาดแบบโกงแบบทุกแบบทุจริตโดยฉลาดที่มีบุญฉลาดที่ เป็นกุศลนั้นเป็นปัญญาเขาแบ่งตัวว่าเรียกอยู่แล้วความฉลาดที่เป็นกุศล เ, เรียกว่าปัญญาความฉลาดที่เลวร้ายแล้วเขาเรียกว่าเชโกแต่ควาว่าฉลาดกลางๆนั้นมันเป็นภาษาไทยที่มันเพี้ยนมาจากคำ ว, ว่าฉลาดยตนะซึ่งที่จริงก็เกิดจากทางปัญญารู้เท่าทันฉลาดยตนะเป็นทางปัญญานี่เป็นต้นนะว่าเราพยายามฝึกฝนกันมาเนี่ยอันนี้ก็เน้นก็ ย้ำให้ฟังถึงเรื่องที่เราปฏิบัติสร้างบุญเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องปฏิทานนามัยบ้างปตานาุโมทนายบ้างปฏิบัติธรรมก็คือสร้างบุญกิริยาวัตถุสิบนี่เราไม่มีอื่นรองทําให้ถูกตรงเห็นให้ตรงทําให้ตรงมันมีธรรมะพอเราฟังธรรมะสวัสอยู่ทุกวันเรามีเทศนาผู้รู้สัตบุรุษอาจารย์ครูผู้มีคุณธรรมจริงมีสัพพิษธรรมจริง สอนเราอบรมเราเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งครูทั้งเพื่อนฝูงช่วยกันคนละไม้คนละมือเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างก็ตามต้องมองในมุมดีให้ได้อย่าไปเพ่งโทษเพ่งโทษสวยเรา เราเพียงโทษแต่คนนั้นคนนี้ไม่เป็นมิจเป็นสหายเอาเธอมันบอกแล้วบางทีมันเป็นวิบากเก่าบ้างแม้จะเป็นวิบากเก่าหรือไม่วิบากเก่าก็ตามวิบากใหม่เขาจะเลวของเขาก็เราจะไปทํำยังไงได้เขาเลวของเขาก็เป็นความเลวของเขาแล้วคุณไปโง่อะไรเราตัวเองเราโงา่คนอื่นเขาไม่ดีก็มันไม่ดีของเขาเราช่วยเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะเราเถือเอาประโยชน์จากคนนั้นอาตมานี่ได้ประโยชน์จากพระอนันต์ก็ดีสมาคมป ร, ริยนธรรม ปอเรียนรำสมาคมก็ดีนั่นแหละสำนักนั้ น, พ ร, น, นพระนั้นพระนิ้ิี่ตีอาตมายัางโน้นอย่างนี้ตังปั่นตังแรงอะไรทำํำอาตมาขอบคุณเขาที่เขาเองเขาทํากับเราให้เราอะไรซักซอ้อมอาตมาไม่มีสตังไปจ้างพอเรียนทำสมาคมถล่มอาตมาหน่อยพระอนันต์สิมาถล่มอาตมาหน่อยจากเท่านั้นบาทเทนี้ล้านอาตมาไม่มีตังไปจ้างเขาหรอกเอ่ เขาทําเราให้เราลองดีไม่ดีไปตีคลองตีกล อ, องดังทั่วประเทศใครไม่รู้จักพระโพธิรักหรือผ่ารู้จักพระโพธิรักเพราะอนันช่วยตีเทราสมาคมช่วยตีหรือว่าปริยนทำรรมสมาคมช่วยตีเอออยู่ดีๆไม่ว่าดีเนี่ยแล้วมาบอกว่าพระโพธิรักอยากดังก็ามาตีให้มันดังเองล่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเลวร้ายขึ้นมาคนก็กรู้นี่คนก็กรูดูผลดูผลก็ก็รู้ว่าเป็นยังไงเพราะนั้นพ่ายแพย้ตนเองไปเองหยุดไปเอง ส า, สาไปเองผลประโยชน์อะไรไม่เกิดเสร็จแล้วขายขีดเถื่ออะไรออกมาก็เขาเองคนกลางเขก็ดูก็รู้เองเราเองก็อยู่สบายสบายไม่ได้ลองของเราด้วยเราก็ได้กําไรเราก็ได้แข็งแรงฝึกซอ้อมทดสอบโดยที่ไม่ตั้ ง, งใจทดสอบเราเข้ามาซัดไม่รู้ตัวอะไรบางทีซัดตุ่มตามตุ่มตามก็อรมอาโนบั่งอนุนีมังอะไรว่ากันไปก็ไม่มีปัญหา เขาทําที่เขาเราช่วยเขาไม่ได้นะเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ไม่รู้ทําไงแต่อาตมาพยายามช่วยเขาอยู่เหมือนกันพยายามช่วยเขาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยากมันยากคิดว่าพอตัวเองพอจะช่วยเขาบ้างได้เหมือนกันก็พยายามช่วยอยู่แต่ถ้าใครช่วยก็ไม่ได้คนนั้นคนนี้เราช่วยเขาไม่ได้เราเอาประโยชน์จากเขาเลยเราได้นะได้ประโยชน์จากเขาจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นควรขอบคุณศัตรูไม่จะไปโกรธศัตรูโกรธศัตรูเราก็ทุกข์เราก็โง่ เรารู้ว่านี่เขาจะแกล้งเราด้วยซ้ำเขาแกล้งก็าเขาแกล้งอะความแกล้งเป็นความเกิดความเลวเขาแกล้งออกับคูตัวของเขาอะเราต้องรู้เท่าทันอย่างนี้นะถ้าไม่รู้เท่าทันเราเองก็ซวยซวยซ ว, วยอยู่ยงั้นนะ่ะแย่กันพอดอีเอาละ่ะวิธีแก้อปัจจยนต์ใมอ่อนน้อมทําตนก็ได้แนะวิธีแล้ว อยู่ในหมู่มวลเรานี่ทําข้างในในข้างนอกมันหยาบมันรู้ง่ายแต่ข้างในเรานี่ไม่ค่อยรู้ตัวมันมันมันละเอียดแล้วมันก็ถือกันในนี้มันก็ต้องรู้ตัวให้ดีแก่อปัจจยนามัยขนขวายการงานก็ไม่ลดไม่ถอยไม่ท้อไม่แท้การสัมพันธ์กันเกิดพรารรภาพหรือเกิด one for all all for one เกิดเอโกปิหุตวาพระหุตหาโหติหนึ่งเดียวเรานี่แหละจะเป็นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดพร้อมพลัง หรือทั้งหมดพร้อมพลังกันทุ ก, กนคนประสานกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพระหุทธาปิหุ ต, ตวาเอโกโหติพร้อมพลังกันได้น ะ, อะเอาละสรุปวันนี้พอ